จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาใครมีความสนใจอยากจะเข้ามาถามก็เชิญเข้ามาได้วันนี้เราก็ไปที่เด็กชายนักคุณก่อน สคุณวันนี้เป็นยังไงมีเวลกรรมอะไรมาเสนอมากงการธรรมชาติการค่ะพระอาจารย์กครอาจารย์อส่วนไหมวันนี้อ่าตอบดีดีค่ะจะแต่ดูทางไหนก็ได้นะถ้านนท่านถามว่าส่วนไหมลูกมันม่นใจลก็ตอบไปสิไปซุกยไม่สนครับไม่สนครับเออแน่ใจนะเรียบร้อยเลยวันนี้อต้องเรียบร้อยเนะ สวนไม่ดีรู้ไหมสวนแล้วทำให้ของเสียหายไม่เกิดประโยชน์ช่วยแม่ทำบ้านกวาดบ้านซูบ้านนัางถ้วยน้างชามบ้างไปทำเป็นไหมอาจารย์ถามเลยก็ดีดีครับนะหัดทำงานบ้างเรามีความสามารถเราไม่เรากับทิ้งความสามารถไปน่าเสียดาย เราทุกคนนี่มีมือมีเท้ามีสมองมีความคิดสามารถทำประโยชน์ได้เยอะแยะดีกว่ไปเล่นเล่นไม่ได้อะไรเลยเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจไหมครับรรู้แต่กินกับนอนอย่างเดียวเกิดมาเพื่อกินเพื่อนอนอย่างเดียวไม่ทำงาน เป็นยังไง เ, <c oughs> เคยคิดไหมเคยคิดอยากจะช่วยแม่บ้างไหมเห็นแม่ลําบากเห็นแม่เหนื่อยเห็นสงสารแม่่อันไหนเราอันไหนเราทําเองได้ก็ทําเองอย่าให้แม่ทําให้ทุกอย่างนะทุกอย่างว่าเองตัวเองได้บ้าอาบ น, น้ําเองได้บ้าง ได้ครับเ อ, อ น, นะต้องหดทำเองนะอันไหนที่เราทำเองได้ควรจะทำพรพุเจ้าบอกอัตตาหิอัตโนโนาถตอนเป็นที่พึ่งของตอนนะแม่ก็ไม่ได้มาดูแลเราไปได้ตลอดนะเดี๋ยววันหนึ่งเราต้องต้องดูแลตัวเราเองวันนี้น่เงียบดีเนี่ย <c oughs> กำลังกินเหรอกำลังทำคะแนนอยากได้ของเล่นค่ะวันนี้ก็อทำคะแนนใหญ่เลยค่ะพระอาอารย์รู้สึกแปลงหน่อยนิ่งไหม <c oughs> เก็บสะสมคะแนนอยู่ค่ะคะแนนเดีดีอ่ะเลืมล้วะ <c oughs> ยังยังถามอาจารย์ไม่จบหมดเลยลูกยกมือไหว้ก่อนค่ะแล้วก็ใช่นี้อ่อาอัน้นบอกพรอาจารย์ก่อนขอลาสักครั้งขอบพระอาจารย์ วันนี้นิ่งเลยค่ะพระอาจารย์ง่วงด้วยค่ะหนูไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์วันศุกร์นี้วันเกิดค่ะพระอาจารย์ขอพรพระอาจารย์การดีไหม่ะไม่ดีค่ะอย่ามาเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดอีกค่ะอย่ากลับมาเกิดอีกนะคะสาธุต้องตัดกิเลสให้หมดค่ะ อย่าไปอยากได้นู่นอยากอยากมีนี่อยากจะาเป็นนู่นเป็นนี่เราตามมีตามเกิดอือ ย, อยู่ไปตายไปก็อะไรไปไม่ได้่อเอือาการไม่เกิดดีกว่านะค่ะหยุดกิเลสให้หมดหยุดความอยากให้หมดหาความสุขจากการฝึกสมาธิดีกว่าค่ะพระอาจารย์ไม่สะสมอะไรลคะค่ะส่วน อ่โอเคนะถ้ า, ายัาง<อ>มีชีวิตอยู่ก็ให้มีความสุขสุขภาพแ ข, แ, ๆๆนะแข็งแรงอายุยืนยาวนานร่างกายแข็งแรงมีกำลังวงองชาที่จะปฏิบัติทำไปจนถึงวันลาสุดท้ายสาธุค่ะพระอาจารย์น้อมนำไปปฏิบัติคะ่ะขอให้พระอาจารย์แข็งแรงนะคะอ่าค่ ะ, ะไปะเแมสกระแจสตี่ กราบนมัสการระอาจารย์ครับอ่าไปยังไงครับวนี้มาส่งกันบ้านเช่นเคยครับเนี่ยนี้่ทำสมาธิได้หรือเปล่านั่งได้กี่นาทีนั่งได้สมสิบห้านาทีครับเอียนั่งทุกวันหรือเปล่าก็พยายามนั่งทุกวันครับทำไมต้องพยายามด้วยนะบางวันก็ต้องเล่นกับยาดครับท้อะไรนะบางวันก็ต้องเล่นกับยาดครับแล้เล่นกับยาดเนี่ยมียาดนานเลย แกอย่างนี้ค่ะคือคื อ, คอนองบางที่อยู่ที่อังกฤษคนเล็กอะคะ่ะเขาเป็นโรคอะไรนะมิตตกวิตกกังวลนะคะมันเกิดผลข้างเคียงของยาหอบหืดนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ไปโรงเรียนและเขาก็ไม่มีเพื่อนนะคะแล้วเราก็เลยแบบจะช่วยเขาแบบคุยกับเขาบ่อยๆอะย่างนี้ค่ะบางทีเขาก็จะกดโทรมาบอกว่าให้จะมาจะติดเล่นเกมจากเขาหน่อ ย, ยะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็พยายาม ตะยึดของเราว่าเออเล่นหลังจากเรานั่งสมาธิน้องแล้วเราก็อยไปเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นของเราก็เสียค่ะต้องพยายามจัดเวลาให้ถูกนะครับอของดีของมีคุณค่าเราต้องรักษาให้ได้ถ้ามาทําแล้วมันจะยากนะถ้าทําบ่อยๆแล้วมันจะง่ายโอเควันนี้จะส่งกลับบ้านใช่ไหมใช่ครับเอาบามา เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่งพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจอเราเป็นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพลาดจั์ของรับของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นขอของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิด มีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยร<อ>เราทกากรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายากคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสียไปเราต้องถ่ายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวั น, ท, วนทุกวันเถอเยีมตัวไว้นะนี่คือข้อสอบของเราเวลามาแล้วใจเรานิ่งไม่นิ่งนะกลัวไม่กลัว ถ้ากลัว ก, ก็ทุกข์ถ้าไม่กลัว ก, ก็ไม่ทุกข์ถ้ายอมว่าถ้ายอมก็ไม่ทุกข์ยามแก่ยามเจ็บยามตายก็ไม่ทุกข์ถ้าไม่ยอมก็จะทุกข์ครับครแล้วร่างกายเรานี้สวยไม่สวยน่าดูไหมไม่น่าดูครับเพราะอะไรหน่าเจ็ีดครับการสามสิบสองครับมีอะไรบ้างมีผมขนเล็ ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกน้ำหัวใจตับผังถือไตปอดไซส์ใหญ่ไซส์น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองสีสันน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงอน้ำมันคข้นน้ำตาน้ำมันเหลว น้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำโมดน้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเนียน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำสเลดน้ำดีแก้วนสมองสีใสอาหารเก่าอาหารใหม่ใช้น้อยใช้ใหญ่ปอดไตข้องเกิด ตับหัวใจม้ามยังในกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนัมฟันเล็บขนอมพยายามนึกภาพแบบนี้ให้เห็นนะจะมาเห็นใครเห็นเห็นร่างกายเราเรือเห็นร่างกายของใครก็ตามพยายามนึกถึงภาพของอาการต่างๆจะได้เห็นความไม่สวยงาม ร่า ง, งกายจะได้ไม่หลงไปรับคนนั้นคนนี้เข้าไปรับแล้วก็ติดกับยาวเหยียดเลยไปมีครอบครัวที่นี่ก็ไปบวชไม่ได้นะนะัะถ้าอยากจะไปบวชอย่าอย่าไปมีครอบครัวนะอย่าไป ม, มีแฟนโอเคนะพยายามทํานบ้านนั่งสมาธิทุกวันจะรับประกันได้ว่าจะไม่บวช สมาธิทุกวันแล้วก็นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายทุกวันนึกถึงอาการ32ทุกวันเนี่ยมันจะมีเครื่องสกัดกัน้นกีเละครับโอเคมีอะไรจะถามไหมไม่มีแล้วครับ ม, มีรายงานการปฏิบัติอะค่ะหนูงดุขือจะ พิจารณาทำก่อนนั่งสมาธิค่ะพิจารณาความตายพิจารณาอาการสาสองนะคะแล้วมันจะสงบเราจะนั่งได้แล้วทีนี้มีวันนึงอะค่ะหนูก็พิจารณาอาการสามสิบสองนะคะช่องไปช่องมาแล้วหนูก็รู้สึกว่าทำไมมันสกรปรกอะค่ะอาการเหมือนกับสิ่งต่างๆในร่างกายอะ่ะแล้วมันเป็นบอกเกิดของโลกอะค่ะแล้วข้างในมันรู้สึกว่าถ้าไม่มีร่างกายอะมันก็ไม่มีโรคภัยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบ ไม่อยากแบบร่างกายนี้ไว้อย่างเงี้ยค่ะมันแบบอยากทิ้งเนี่ยค่ะรู้เลยเข้าใจว่าเออถ้าตายก็ดีเนาะมันไม่ต้องแบกทุกภัยอะไรทั้งไหนทั้งปวงเลยแล้วก็นั่งแล้วมันก็สงบค่ะแต่อย่าไปอยากตายนะอยากตายก็เป็นกิเลสนะะถ้าอยากตายก็ต้องหยุดพิจารณากลับมาพิจารณาแผ่ก็เมตตาเมตากับตัวเราเมตากับคนอื่นอยากตายก็เป็นกิเลสอยากอยู่ก็เป็นกิเลสครับ ต้ออยู่เฉยๆก่องกลางตายก็ได้อยู่ก็ได้อถ้ามันอยู่ก็ก็ปล่อยมันอยู่ไปถ้ามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปแต่อย่าไปอยากอยู่อย่าไปอยากตายแล้วมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาต้องระวังนะีิเลมันจะตลบหลังเรานะพิจารณาความตายบ่อยๆรู้จะอยู่ใช่ไหมฆ่าตัวตายดีกว่าอันนี้ก็มีนะสมัยพุทธกาลเนี่ยมีาพิจารณาความตายบ่อยๆ กฆ่าตัวตายพระเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าคิดแต่เสง่าฆ่าตัวตายนี่ต้องหยุดพิจารณามาเปลี่ยนเป็นพิจารณาความเมตตาแทนจาระเมตตาสเพสัตตาเวลาหุนตุกางฆ่าไม่ว่าฆ่าใครก็เด่งแสดงว่าร้ายความเมตตาปวดร้ายทารุณนั่นเลยเรียกว่าการุญอยาก่ามันก็มันก็มันก็เป็นความปวดร้ายทารุณ เห็นเขารมานก็เลยช่วยให้เขาตายทําให้เขาตายนีอันนี้ก็บาปปล่อยให้มันไปตายเขาอาจจะไม่ทรมานก็ได้แต่ยทรมานก็เป็นเป็นวิธีมันจะได้ให้เขาเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเขาทุกข์มากๆเขาอาจจะได้ได้ไ ด, ไดสติถ้าได้ยินได้ฟังธรรมเขาก็อาจจ ะ, ะพิจารณาปล่อยวางร่างกายก็ได้อ ต้ระวังนะเพื่อคนที่พิจารณาความตายพิจารณาสุภาษณ์เนี้บางทีถ้ามันเลยเถิดมันไปเกินเขตมีนะาเรามีหน้าที่ดูเพื่อดับความหลงคือความเห็นว่าร่างกายสวยงามแนละ้วเขาคิดว่าร่างกายจะอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเราแก้ความหลงให้รู้ว่าวันหนึ่งจะต้องสิ้นสุดลงมแต่ถ้ามันไปถึงขี่ดว่าไม่อยากจะอยู่แล้วอยู่ไปทำไมอยู่นเนี่ยก็ตาย ค่าตัวตายใช่ตั้งแต่ตอนนี้ไปมันมันมดปลอมหลังเราเลยกิเลสแทนที่เราจะฆ่ากิเลสกิเลสมันกลับมาหลอกมาฆ่าเราเลยไม่รู้สึกตัวเข้าใจไหมเข้าใจค่ะโอเคโอเคมีเท่านี้นะคร<ำ>ับกลับมาพณกับอาจารย์ครับหมองทิมคุณแน่ฝน ค่ะนั่งสมาธิได้กี่นาทีนะน้องทีมวันนี้เออเมื่อวานนั่งได้หกนาทีนะครับนั่งสมาธิแล้วสวนมนต์ใหญ่ใหญ่เออนั่งสมาธิค่ะนั่งสมาธิเอาเลในนี้คือจะให้เขาสวดมนต์ก่อนนะคะพระอาจารย์คือจะเป็นอย่างเนี้ยมาตลอดคือให้สวดมนต์เสร็จแล้วก็ก่อนนั้นสวดมนต์เสร็จแล้วก็จะนั่งสมาธิต่ออะคะ่ะก็จะก่อนหน้านี้ก็นั่งห้านาทีตอนแรกก็ยุกยิกยุกยิกเนาะ ตอนนี้พอคุณแม่เห็นว่าเขาเริ่มจะขยุก ข, ขยิกน้อยลงอ่ะค่ะพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้เขาลองเพิ่มเป็นหกนาทีดูอ่ะค่ะเขาก็เลยเลยปรับเวลาเป็นหกนาทีอะค่ะพระอาจารย์พยาามนั่งสมาธิทําอะไรอือพยายามที่จะทําให้เ อ, อ่อไม่คิดอะไรครับนั่นทำยังไไม่คิดอ่ะก็ อ, ะอืมไม่คิดก็พยายามทอสวดมนครับใช่ยนงยบอกยังไม่คิดอะไเลยไง ก็มีสิ่งเห่เลก็พยายามจุดนีต่ยึดใจเลยเลยยต้องอย่านั่งไมน่นะถ้านัา่ไม่เฉยมันมันจะคิดนะทำไมมันกินให้มันคิดพุทโธพุทโธแทนล อ, องนั่งพุทโธสักห้านาทีหนาทีดูว่าจะทาได้นะันงพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป แ, แบบสบายสบายไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้อง พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวจะทำได้ไหมไม่้องคิดอะไรคิดอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวนะย ง, งนะ่ายง่ายแค่คำว่าพุโทโธคำเดียวยากไหมไม่ยากเลยนะเล่นเกมยากกว่านี้เยอะต้องใช้ความคิดหลายอย่างด้วย ก, นะกันอันนี้นใช้ความคิดคำเดียวพุโทโธอย่างเดียวนะพยายามทาดูนะ การนั่งจะพบกับข้างสุดดีก็่าเล่นเกมนะครับพูดถ้อยอย่างเดียวนะลูกคิดนะครับลองด<ช>ูนะพยายามพุดถ้ตลอดครับอ่าแต่นั่งเฉยเฉยน่าหัวพยายามไม่คิดมันมันพยายามได้แต่มันเรื่องทีจะให้มันไม่คิดนี่มันยากถ้าไม่มีอะไรมาเป็นวิธีการมันมันก็จะคิดเดี๋ยวก็คิด แม่จต่มีพูดโธมันยังเอาไปคิดได้เนี่ยพูดโธไปพระพอากาศไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ซะอะ่มี อ, อะไรไหมไม่มีค่ ะ, ะพระอาจารย์ก็ของหนูก็เอคือช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะคือช่วงหลังๆพอดีหนูเคยฟังทรรที่พระอาจารย์พูดถึงว่าเวลาที่พระอาจารย์ไม่สบายอะค่ะหลังๆที่พระอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ทานยาพวกแบบ อยากแก้ปวด parasitismol หรืออะไรพวกนี้เลยอะค่ะใช้ธรรมะโอสอะคะคือหนูก็เลยแบบเหมือนอยากจะพยายามฝึกนะคะเวลาเหมือนมีอะไรแบบการเจ็บป่วยแบบนี้นิดหน่อยๆอะค่ะพระอาจารย์ก็ก็เหมือนแบบอย่างสมุติถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราแค่นี้นิดหน่อยๆน่อยเราก็จะกินยาแล้วอะไรแบบนี้ค่ะหลังๆหนูก็เลยแบบไม่ลองลองฝึกที่จะไม่ทานยาดูอะไรเงี้ยค่ะอย่างแบบ วันก่อนก็ไปทําฟันมาแล้วมันปวดฟันนะคะแล้วหมอเขาก็เลยเหมือนบอกเออถ้าไม่ไหวก็กินยาอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบงั้นเดี๋ยวหนูก็บอกว่าหนูไม่เอาดีกว่าเพราะว่าอยากจะลองฝึกอยู่กับความปวดตรงนี้ไปเลยแบบนี้ค่ะพระอาจารย์คือเหมือนอยากจะลองฝึกทําเรื่องพวกนี้ดูเลยแบบนี้ค่ะทำได้ไหมก็พอได้ะคะ่ะพระอาจารย์คืออย่างอย่างคือ คืออย่างว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวมันก็หายไปเองเลยอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายมันก็หายไปยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างตอนหลั ง, หงที่เป็นช่วงหลังที่เป็นภูมิแพ้ะคะ่ะแล้วมันจะคันแบบค่อนข้างจะคันเยอะยอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้นก็จะทานยาค่ะหลังๆก็เริ่มลองฝึกแบบไม่ทานยาดูอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็แบบคันก็แบบเออลองลองแบบไม่ไม่ถ้าไม่ภาวนาก็พยายามแบบไปไปคิดเรื่องอื่นอะไรแบบเนี้ยค่ะไม่ไม่ไม่เอาใจมันไปจดจ่ออยู่กับอาการคันแบบเนี้ยค่ะค่ะ ปล่อยมันอยไปยุ่งกับมันฮ ก, ก็พยายามจะไม่ค่อยไปยุ่งกับอาการที่มันเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าหนูก็คงแบบคือเหมือนอาจจะได้แบบแค่อืถ้าเป็นไม่มากเล็กๆน้อยๆค่ะเหมือนที่แบบเออถ้าเมื่อก่อนแบบเราต้องถ้าถ้าเจอความเจ็บป่วยหรือความเจ็บปวดในระดับนี้เราต้องพึ่งยาค่ะตอนนี้ก็เหมือนว่าเออถ้าขึ้นมาถึงระดับนี้แล้วเราก็เลยลองแบบ ไม่ใช้ดูเลยเงี้ยค่ะก็ก็ยังผ่านมาได้อะค่ะอาจารย์แต่ว่าก็คือถ้าเกิดหนักกว่นนี้ก็ก็อาจจะจะอาจจะจะจะสู้ไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะแต่วราใช้สติให้มากขึ้นพุทโธพุทโธพุทโธให้มากขึ้นค่ะค่ะก็เดี๋ยวจะลองพยายามดูค่ะอย่างวันนี้ก็คือเหมือนจะเริ่มไม่สบายแล้วก็เลยบอกเออเนียวลองแบบคือกวว่าถ้าเกิด มีอะไรอะเดี๋ยวจะลองฝึกดู่ะฝึกลองลองใช้วิธีตามที่พระอาจารย์บอกดูว่าให้ใช้ธรามโอสถอะค่ะลองดูดีปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติร่างกายมันก็มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์ไปถ้าเราไม่ต้องมายุ่กับมันเราเราก็จะสบายกว่าถ้าอคอยไปแก้มันเดี๋ยวก็ต้องคอยแก้ตามแก้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ไปติดยาสิค่ะ ก็พอดีเมื่อก่อนที่จะเข้าซูมหาหนูอ่านหนังสือของพระอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับสติอะค่ะเราทีนี้เหมือนมีพูดบทนึงเกี่ยวกับเรื่องว่าอย่างพระโสดาบันนะคะเขาจะต้องไม่ใช่ว่าแค่แค่จละสลละหรือยอมตายได้อย่างเดียวค่ะแต่ว่าเขาต้องอยู่กับความเจ็บปวดได้ด้วยอะค่ะพระอาจารย์คือตรงเนี้ค่ะหนูว่ามันมันมันยากนะคะพระอาจารย์หนูก็เลยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงถึงจะแบบถึงก็เพินัสมายที่ให้มันเจ็บแล้วอยร่เพิ่งลบเนี่ย นั่งไปพอมันเจ็บก็นั่นเพิ่มสติให้มากขึ้นปล่การพุโทโธให้มากขึ้นลองพยังพุโทโธหน่อยเวลาเจอความเจ็บเลยพิจารณาการสามสิบสองไปให้มันลืมเรื่องเจ็บไปก็ได้ผมขนเนะนื้อฟันหนังเนื้อเอ็นกระโดกเยื่อในกระโดด อ, อย่าไปให้มันคิดถึงความเจ็บปล่อยความเจ็บมันอยู่ตามตามเรื่องของมันเรามไม่ต้องไปยุ่งกับมันอื พอเราไม่ไปยุ่งกับมันความทุกข์ในใจก็ไม่เกิดครับ้กเกิดแต่ความเจ็บที่ร่างกายที่ใจรับรู้แต่ใจไม่สร้างความทุกข์ขึ้มนมาในใจอีกชั้นหนึ่งก็จะอยู่ได้อยู่กับความเจ็บได้ที่อยู่ไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเจ็บของร่างกายเพรา ะ, ค, ค, ะ ค, ความทุกข์ของใจค่พอเจอความเจ็บแล้วเกิดความทุกข์ทางใจคืออยากให้มันหายให้นมากลัวมันเกียดมันอ มัน <pentru S 2> ยิ่งกลัวยิ่งเกลียดยิ่งทุกข์ใหญ่อย่าไปเกลียดอย่าไปกลัวมั น, นันตอนนับมันต้องแต่เป็นเป็นเป็นวิธีใครเกลียดใครช้ามันกแ็แผ่เมตตาให้มันเอ่ายินดีตอนนับนาน า, นาจเจอกันทีเป็นยังไงสบายดีเลย ว, วันนี้มีมีมีมความเจ็บหนักขนาดไหนเบอร์อะไรลองถามมันดูวันนี้จะเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองหรือเบอร์สามค่ะ เ, ะ <S <S <aa> <sighs> เดี๋ยวจะลองดูออคุยกับมันดูก็ได้ อาจจะได้อาจจะได้ผลลองจเดี๋ยวจะลองอันนี้ก็เป็นเป็นอุบายที่ที่น่าจะน่าจะดีค่ะคระอาจารย์พอเรารักมันเราชอบมันแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันที่เราทุกข์เพราะเราเกลียดมันคเหมือนคนที่เหมืนคนที่กินพริกไม่ได้เนี่ยว่าแต่าเพนี่นี่โอ้ทุกข์ทามาขึ้นมาแต่คนที่เขาชอบกินพริกเนี่ยกินยังไงเขาก็ไม่ทุกข์ค่ะอืมเราก็ลังหัดชอบในสิ่งที่เราต้องเจอ อย่าไปเกลียดมันไม่เกลียดแล้วเ ร, เราก็จะอยู่กับมันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะลองทักทายมันดูค่ะค่ะจ้าต้องฝึกนั่งสมาธิแล้วเวลามันเจ็บอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลบทํากันบด้คราวนี้ก่อนเนื้อจะอยู่กับความเจ็บได้นานเท่าไหร่พอมันเริ่มเจ็บเราก็แบบได้แค่ไม่นานเลยอ่ะก็คือทั้งนั้นที่คือคือเหมือนเหมือนที่พระอาจารย์บอกเลยค่ะคือเคยเคยทําได้เหมือนกันตรงที่คิดได้ว่าเออ ร่างกายมันเจ็บแต่ว่าใจอะค่ะมันไม่ถูกเคยทําได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําได้ทุกครั้งแต่ว่าพอมันทําได้แต่ว่ามันก็จะอาจจะได้ไม่นานนะคะอาจารย์แต่เดี๋ยวจะพยายามฝึกทําบ่อยๆให้มันทํางานให้มันชินให้รู้จักวิธีปฏิบัติกับมันเพราะว่าก็คือให้เราวางเฉยกับมันนะให้เป็นใจเราเป็นองเบิกขาแล้เราใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะลองดูค่ะอาจารย์ โอเคได้ค่ะกลาขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะเจ้าคะ่ะแม่น้องพีต่อน้องพีอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าไปไหนแล้วกล่าวด้วะกันค่ะไงมีการพัฒนาขึ้นมาหรือยังนั่งสมาธิได้ยังน้องพีไม่ค่ะยังไม่ได้เลยไม่ต้องสู้สิต้องพยายามหน่อยทำได้ผมทำได้ คนอ้่นก็ทำได้ผมก็ทำได้วิจัตติเขานั่งกันตั่งสามสิบเ็ดสามสิบห้านาทีอะไรนี้น <c oughs> สวดมนตระบาทถาไม่นั่งสมาธิสวดมนต์ระบาสวดคับสวดกี่้าทีสวดประมาณหกนาทีค่ะหกนาทีค่อสวดแบบว่าฟาเลยค่ะสวดเร็วหนูก็ไม่ตงจะพูดยังไงเร ประมาณประมาณเกือบสินาทีได้ค่ะแต่ก็แต่ว่าหนูก็จะให้บางทีถัานขึ้นท้างบนแล้วขึ้นไปอาบน้ำเองหนูจะให้สวดมนต์หน้าหน้าหิ้งพระข้างล่างก่อนแล้วค่อยขึ้นหาวหาวาวตลอดเล่คุยเป็นล่คุยก็จะหาวตลอดก็แต่เขาก็รู้หน้าที่ค่ะเพราะว่าถ้า ไม่สวดมนต์ไม่กระโดดเชือกก็คือจะไม่ได้ดูยู u t u หนึ่งชั่วโมงเออแลมีของรอดใจนะก็จริงจริงมันก็ต้องมีบ้างแต่ก็มันก็ทำให้เขาเคยชินอย่างน้อยก็ก็ต้องทำให้ให้ได้ให้ได้รู้ว่าการสวดมนต์ดียังไงเขา <_ an> ไปเขาจะได้ไม่ต้องรอดนะ<_ an> <_ an> เขา <_ an> เขาหน็ <_ an> เนผลดีจากการสวดเขาก็อาจจะอยากจ ะ, จะสวดเองก็ได้ ใ, ใช่ค่ะใช่เพราะก็เขาก็มีพูดนะบบกหนูไม่เข้าใจเลยอ่ะว่าหนูเริ่มสวดมนต์ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมหนูท่งสวดได้จําได้ขนาดนี้หนูไม่เข้าใจเลยมาบ่นแต่มาเป็นพวดเหมือนแบบว่าเฮ้ยหนูสวดมนต์เก่งขึ้นอะไรเงี้ยครับชมตัวเอง <c oughs> หนูก็ระบาย อ, กอาก็ดีแล้วไงสวด บ, บ่อยๆมันก็จะทําให้เราจําได้เวลาสมมุติว่าเมื่อวานมาอา ท, ทิตย์ที่แล้วค่ะก็ไปทําเทส ที่แขนแล้วก็บอกว่าให้พุดโทรพูดโทเอาเพราะว่ามันคันใช่ไหมคะทาเทสแบบว่าพอแพ้ว่ายังแพ้อยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกให้พุดโทรพูโธบอกว่าพูโธไม่ไหวมันคันมากเลยต่อแต่ห้ามเกานะลุงอะไรเงี้ยบอกครับครับเขาก็ทนได้ประมาณสิบวนาทีก็ไม่เกาก็ก็ถือว่ามีความอดทนระดับหนึ่งค่ะก็กลับกลับถึงบ้านก็ยังคันอยู่แต่ก็ไม่เกาก็ถือว่าใช้ได้ก็ทดสอบ จากความอดทนตรงนี้ก็เลยสอนเขาว่าถ้าเกิดว่าเราแนีคนที่เขาจะตายอะ่ะถ้าเขาไม่มีการสวดมนต์แบบนี้ก่อนเวลาเขาตายไปเนี่ยเขาก็จะไปเป็นสัมภเวสีนะไปเป็นอะไรอย่างเนี้ยทำไมพระพุทธเจ้าถึงต้องให้สวดมนต์อยู่ตลอดเวลาให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะเวลาคนเราจะตายเราก็ไม่รู้เราจะตายแบบไหนหนูก็สอนให้เขาฟังก็ต้องมีพุโทโธมีสติแบบนี้แหละก็ให้ฝึกเอาไว้หนูก็เลยสอนเขาแบบนี้ค่ะ ยีนจะพยายามไปฝึกไปได้่อยนะค่ะก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้ยินการสูญเสียเอาพี่ชายเพื่อนก็เสียหลังจากนั้นก็เพื่อนเพื่อนหนูเองก็เสียฟังแล้วมันมันก็มันก็หอนหูแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เราก็พยายามที่จะทําความดีอยู่ตลอดเวลาเราต้องรีบทําแล้วตอนนี้เขาไม่มีเขาไม่มีโอกาสเหมือนเราเขาไปแล้วอืะ ตอนนี้เรามีโอกาสเรามีเวลาอยู่รีบทําเสียค่ะออเมื่อวันศุกร์หนูกับครอบครัวก็ได้ไปทําบุญลงศพให้ที่ปล อ, อเต็ตึงค่ะห้าโงแล้วก็พาดติบค่ะทําบุญทาทานไปอย่างน้อยก็ได้ไปสวรรค์ก่อนออหนูก็ไม่ ไม่อยากลงมาเกิดแล้วก็พยายามสวดมนต์ทำจใจให้ดีที่สุดนะคะหลวงพถ้าไม่อยากกลับมาเกิดต้องทําใจให้นิ่งให้เฉยเ ถ, ถ้ายังอยากนู่น อ, อย่างนี่อยู่ก็ยังต้องกลับมาเกิดค่ะอยากให้ลูกเป็นเด็กดีไม่ชื่อไม่สอนนี่ก็เป็นกิเลสเหมือนกันนะคะหลวงพอ่อกิเลสทั้งนั้นอ่อา่ล้วอยากอยากแต่อย่าไปยึดก็แล้วงไปอยากแล้วก็ทําหน้าที่ของพ่อแม่สั่งสอนไป มันเขจะดีไม่ดีนี่เราก็ช่วยเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ค่ะบางทีก็ต้องปล่อยไปมากก่อนก็เครียดมากตอนนี้ก็เริ่มมาเป็นไรแต่หนูแล้วกันเพราะว่าหนูไม่ทําอย่างนี้หนูก็ได้รับผลกรรมที่หนูทําของหนูเองมีอะไรอีกไหมจ้าไม่มีแล้วค่ะเราก็โ <Okay. S 2> อเค พราะวันวิสาขาบูชาพระหลวงพ่อไม่ได้เทศต่อลูกลูกหลานมาฟังธรรมกันเยอะเลยนะคะลูกสิทธิ์ก่อเดี๋ยวนี้เทศครึ่งชนะั่วโมงแล้วครึ่งชั่วโมงก็นั่งสมาธิกันได้ค่ะแต่ว่าเห็นว่าก็มากับหลวงพ่อกันเยอะวันนั้นหลวงพ่อก็เลยไม่ได้ตอบถามธรรมะเลมวลาเป็นหมดเี้นคนต้องสี่น้อยกว่าคนใช่ใช่หายัง เกี่ยวกั้าหูวันนี้มาหาหลวงพ่อเยอะยังแอบเพ้อหลวงพ่อแจกเหรียญเราไม่ได้ไปอดได้เลยกิเลสละกิเลสแจกได้ค่ะหลวลงพ่อมันไม่มีอะไรแล้วเจนะ้าค่ะขอใหเด้วยเจ้าอ่าเป็นที่าอาจารย์โทมพิไลอัตมงเมื่อนึกปวเตืนอนไม่ยัง ร ก, กรรมนวัตกรรมพัดจย์ค่ะมาแล้วค่ะครรมนวัตกรรัพอาจาันครับสบายดีสบายดีครับยังสบายดีอยู่ยังสบายดีอยู่ครับอกต้องคอยรุนเหมือนวัวาวานหนึ่งมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนอตอนนี้ก็เกิดขึ้นแล้วครับหูไม่ค่อยได้ยินอื ม, <laughs> อม บอกว่าพระอาจารย์พูดเสียงค่อยจังเลยต้องแปลให้ฟังค่ะจะกลับเรียนพาอาจารย์ค่ะว่านังสือได้พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าไม่มีอะไรวันพุธหน้าที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาจะนำไปถวายค่ะได้พันพันกว่าเล่มค่ะอนุนาตการให้กำนัลชนะการให้ทั้งปวงค่ะ ชอบมากค่ะเล่มนี้กระชับง่ายจริงๆเราจะถ้าดรู้กับขันห้าค่ะเล่มเล็กๆค่ะเหมือนพ็อกเก็ตบุ๊กเมื่อสามปีที่แล้วพิมพ์ถ้ารู้เล่มเล่มใหญ่ไปเป็นสะานนี้เเป็นคุณหมอคุณหมอเข้าไปคนรรวมรวมพิมพต่างค่กชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามก็คือเป็น สิ่งที่ทําให้เราได้เห็นความจริงอะนะคะมันก็ค่อนข้างจะเป็นเหมือนทางวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะแต่ว่าแตที่เจอแบบแม่เนี่ยก็จะจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอะนะคะคือจะเห็นเหมือนทาดไฟท่านร้อนอะไรเงี้ยนะคะกอดอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะหลายหลายหลายวันสามสี่วันก่อนที่จะเสียคือร้อนรอนร้อน แล้วก็หาย น, นอนค่ะแล้วแล้วก็หายนอนไปแล้วก็สงบแล้วก็จบโดยที่ไม่มีไม่มีน้ําอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะก็คือแท้งเหือดค่ะีสงบมาะอืันที่สุดมันก็แค่ธาตุสีเท้านี้ค่ะดินน้ำโลงไปมันไม่ใชตัวเราของเรา ก็ดีก็เลยทําให้เห็นอะไรมากขึ้นเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับธาตุธาดรู้นะคะมากขึ้น<ม>เราก็นำออกมาใช้กับ<ม>ในชีวิตของเร า, าว่ามันไม่มีอะไรที่แน่นอนอ๋อให้ธาตุให้เห็นความจริงแล้วจะได้ไม่หลงจะได้ไม่ไปทุกข์กับสิ่งตา่างๆค่ะ<ม>แล้วเเล่มเล่มเล่มนี้ที่คหม อ, อทําก็คือคือคอนขะมีวิทยาศาสตร์เยอะแต่ก็ทําให้ เข้าใจง่ายขึ้นเนี่ยนะคะสําหรับคนทั่วไปก็ดูไม่ต้องถ้าไม่สนใจธรรมะมากไม่ต้องอ่านมากอ่านอันนี้ก็เข้าใจได้แล้วอค่ะมันใหญ่ถ้าเป็นพวกอาจารย์และพวกคนที่มีการศึกษาก็ชอบพวกหมอนี่ก็ชอบนะค่ะในนี้เราเพราะมันตรงประเด็นยเขใกล้เคียงกับสิ่งที่เขารู้เขาเห็นอยู่ตรอดนะค่ะอืมแล้วตรงตรงประเด็นแล้วก็ชัดเจนกระชับง่ายอืม อ่านอ่านไปเรื่อยๆมันก็จะมีเป็นบางเล่มเล็กๆเนี่ยบางช่วงบางตอนนี่ก็ไปขีดไว้ได้เลยนะคะอ่านตรงนั้นไปเหอะอ่านบ่อยๆให้มันเข้าใจใช่มันจะเข้าไปอยู่ในจิตเองโอ้จะไปทาบุญพระอาจารย์นะคะที่ศาลาในวันพุธนะคะค่ะ ไปอยู่ไปแต่งงานพุูนได้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะยังยังเดินทางไปกันได้เออก็จะไปเราไม่รู้จะอยู่แต่งงานพูดหรือเปล่าก็ใช้สูตรพระอาจารย์ค่ะว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดค่ะก็จะได้สึกพบพระอาจารย์ประกาศพระอาจารย์อเไปที่ปัญญาและแสงโดย เรามาสัการะรัอาจารย์ไปไหนมาพอดีว่าช่วงนี้คุณแม่เลิกงานดึกครับผมอาจารย์แล้ผมกลับบ้านพร้อมคุณแม่ก็เลยไม่ทนักท น, ทนกลับมาไม่ทันครับอาจารย์บางทีกลับมาสามทุ่มกว่าอะไรอย่างนี้อาจารย์ไปถึงนู่นแล้วปัญญาเข้ามาเองไม่เป็นนะยายทําไม่เป็นคนนะถ้าทําเป็นได้ทําเองแล้วปัญญาต้องหัดทำเลยทมไม่ไ้เราต้องทำจริง <ทำ S 1> ไหม คุณยายไม่รู้ได้ยังไงไม่เหมือนสมัยก่อนนะฮะคุณยายไอทีไปสอนแล้วครับพระอาจารย์แต่คุณยายแกจะจำขั้นตอนไม่ได้จาไม่ได้ใช่ไหมไเราได้ก็ทำเราได้ก็ทำเขาไม่ได้เราเลี้ยงไปทกส่วนบนไปนั่งสมาธิไปได้อ่ายายก็ทําทุกวันนะคะอืมสภาพเป็นยงไงบ้างคุณยายครับ ดีมากไม่ดีมางนะคะแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรก็เป็นโรคของทางทางทางขวานขามือเนี่ยค่ะตั้งแต่ไหนแล้วค่ะตั้งแต่ตอนเกิดขึ้นม า, อยายนคอับปัยญาเป็น s t r o k ครับอาจารย์เป็นอะไรนะเป็น s t r o k ครับอาจารย์ผมอาจารย์ตอนนั้นรอดมาได้แล้วพอรอดมาได้ก็แกก็จะบ่นว่าแกจะเจ็บขาจ ก็หมอเก็พยายามหาสาเหตุหากันมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่เจอว่าเป็นเพราะอะไรก็คุณยายแต่คุณยายก็บ่นทุกวันว่าเจ็บเจ็บเจ็บด้านขวานะคะมันเป็นอะารไม่จังคุณยายร่างกายมันอะไรไม่จริงมนเสื่อมก็ก็รลึกรลึกถึงอยู่นะคะมันเสื่ออ่าก็ต้อง ลอยไม่เสื่อมไปคุณยายก็รู้อยู่กับมันไปไม่ต้องไปทุกกับมันยายก็อยู่คนอยู่กับเขาทุกคนด้วยดีนะคะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งหลานนะคะมันอยู่ได้แค่นี้ก็นะนะนนถือวนะ่าบุญแล้วทำไรแล้วอายุได้เท่าไหร่ปุณยาย แปดสิบสามแล้วค่ะขอจำรายนะพระ้เป็นเจ้าได้แก่สปดสิบเนาอยากอยากอยากไปเร็วๆเลยค่ะอยากก็อยากไปเร็วๆนะอยากอยากไอยากไปอยากไป่อยางอยู่ว่านมันไปมันจะไปก่านมันไปมันจะไปก่อนมันไปก็คิดอย่างนั้นนะคะแล้วแต่ที่จะได้นะคะอยากจะไปก็จะไปใจทุกน ถ้ามันยังอยู่ว่าไปมันอยู่ไปค่ะถ้ามันจะไปก็อย่าไปอยากให้มันอยู่ก็ฝ่ายฝันไปค่ะค่ะเราต้องสันโดนดีๆอยู่กันดีไป้ยก็ดีมีตามมีตามเกิดค่ะยายตั้งแต่สมัยเป็นอะไรอะไรนั้นชู้ไม่ถูกกล้วลืมยายเขาจะบอกว่าเขา ทรมานมาตั้งแต่เป็นสต๊อกครั้งแรกพะอาจารย์พระอาจารย์แล้วก็าาเขาก็เป็นมาบางครั้งมันมีอาการเรื่อยๆอย่างที่เคยเรียนพระอาจารย์ว่ามีอยู่วันหนึ่งไปนอกทีรนอาหารอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ <c oughs> เขาก็จะบางทีเขาก็เหมือนแบบท้อแท้เหนื่อยหน่ายแล้วเขาก็จะบ่นตัดพอ้อไปเขาอยากจบจบจบจบเารา <c oughs> ลูกหลานเราฟังทุกวันเราวก็ แล้วก็ไอ้นี่เหมือนกันได้พระอาจารย์แต่ว่าเราก็ต้องดูแลคุณยายต่อไปคุณยายยังมีเวลามารู้ทําได้นะตอนนี้ยังสา ม, มารถเป็นพระอาริยะได้ไม่ต้องพุโทโธพุโทโธไปแต่อยู่เฉยๆพุโทโธไปถ้าวันนีจังทุกข์าขงหน้าตาจังเหมือก็มีดวงตาหุทําขึ้นมาก็ยังได้รู้สึอยู่คนะคะอ อย่าไปไ<ห>ยืน อ, อ, อย่าไปยอยาไปท่อยาย ด, ดูมาตลอดเลยนะคะ <c oughs> แต่การพูดเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องคะ่ะไม่ต้องพูด <c oughs> ไม่ต้องพูดอะไรอยู่คน <c oughs> เราคนเดียวไม่ต้องไปยุ่งอะไรไม่ต้องไปสนใจใครนะ <c oughs> ยังมีเวลายัางมีของดีรอเป็นยาอื่นนะอย่าทอ้อ ขอบคุณครับท่านนึ่ท่านนี้เปทาที่เย็นวิเศษนะวิเวเจอพระพุทธศาสนะานี่ยแล้วเราอยู่ในเวลาพิ่สามารเอาพระพุทธศาสนามาทำให้เกิดเป็น ป, น ป, นปนระโยชน์ต่อ จ, จิตใจของเราได้อยู่นี่ทำเสียเร่งนรื่องเรืาบบพุทธโธพุทธโธไปแต่ที่นายเขาพุทธโธไปทั้งวัน ตลอดันอันนี้ยังต้ขของทำใหน้าตาบ้างมันเราเราอยู่กันลงในใจเข้าลงายใจอ๋อใช่อย่ไปคิดอย่าไปคิดเรื่อง ท, ท, ทางโลกอย่าไปคิดถึงคนนั้คนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้น่ยนะอยเหาอยายไม่พูดถึงใครทั้งนั้นเลยค่นะโดยโดยนิสัยตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นกับใครทั้งนั้นเลยโอรงการนี้หายากนะเนี่ยมันเป็นมนุษย์นีมันจะต้องมุ่งสุษษาสนา แล่ยังมีชีวิตอยู่จน80ปีนบ้ตอนน้องคนเก่านายุ10ไม่เก่านะไม่กี่กวัานนีก็ตายไปแล้วหมดเพราะที่อยู่ถึง80 90นี่มีน้อยมากปัญญานี่มีบนมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตนี้ให้เกิ ด, กดประโยชน์ได้อย่างสุดสุดปัญญามย่อยู่เฉยๆอย่านั่งเฉยๆอย่ า, นนนยาบน มันไม่เกิดยปกัอย่างไรเอาเวลามาสร้างธรรมสร้างมรรคสร้างแต่มีหลักในการจะริ่สติมั่งต้นเอาสติเราออนนี้ตอนนี้เสียไม่ต้องกนะังวลนล้โยมแก่แล้วไปทําำไปทบาบาปไม่ไหวแล้วเอาส ต, นะเาสติเอาสมาธนเดี๋ยวก็ได้ปัญญาครเดียวเนทะ่านั้นเอง ทำเองเจ็ดวันก็ได้ที่เจ้าบอกเอาดูดนะินะอาจารย์หลานก็ต้องนองครับอาจารย์ไห่านไม่พูดถึงไหมานชี่เกียรยังยังิง้งการปฏิบัติครับอาจารย์ร้านนย้า น, นี้ น, นทั้งลกอยู่เนียต้องเรียนรูทั้งล่ ใช่ครับอาจารย์ปัญญายนี่พร้อมากก่าปัญญาผ่านทั้งโลกมาหมด้วเรือจะทางธรรมก็อะใช่อันนี้ไปทางธรรมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยพยายามเนียพยายามปฏิเบ่อยๆจะปฏิเติดูลมบ้างพุทโธบ้างยุกธังทุกองแล้วนั้นตามบ้างบ้างอไ เยวมันก็จะร้องออกขึ้นมาอ๋ อ, อเป็นอย่างนี้นเองนะพอใจไหมพาใจค่ะโอเคอยังมีเวลาเลหนะ เ, นเวลามีคุณค่ามากเพราะถ้าไปเจอชาวหน้าไม่เจอเขาก็จะถามหนังก็ไม่หยุ่ใครสอนนอกจยว เไปก็ไม่ได้เกิดประโยชนอะไรหนาะเงินหาทองไปกินอยู่กันไปวันๆแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปแป <c ười> ้งจานนี่ถึงเพนะมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับแปอาจานก็มากราบพระจารย์นนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะไปกราบพระจ า, ยานที่กุตินะคะทำในความทำหนะกุฏิใช่แล้วเพื่ อ่าวันนี้แากบุญดอนน้องกลับมาสักา ร, กร์ค่ะพระอาจารย์ลูปไม่มีคําถามเจ้าค่ะน้องยิ้มหน้าจากเอเลยน้องกลับนมัสกการค่ะอาจารย์ลูกก็ไม่มีคําถามค่ะะอาจารย์อาทิตย์ที่<อ>ผ่านมาก็ก็<อ>ดีค<ด>่ะ<ด>นั่งสมาธิได้ดีค่ะพระอาจารย์ ก็พระอาจารย์เราให้คิดถึงความตายอะค่ะพระอาจารย์ก็ช่วยได้ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเวลาลูกชอบเกิดเวทนาค่ะพระอาจารย์พยายามสุดให้อยู่กับเวทนาให้ได้นะค่ะก็ก็มันก็ยากค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็พยายามดีขึ้นค่ะพระอาจารย์คิดถึงความตายแล้วก็ลูกชอบคิดว่าเอคนเราแบบมีรู้วันเกิดแต่ว่าไม่รู้วันตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ รักษาดีเขาพัฒนาได้ต่อระลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่เดือดร้อนค่ะอาจารย์พยายามค่ะอาจารย์ค่ะค่ะก็น้อมนําปฏิบัติบูชาค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ทัดแข็งแรงนะคะว่าคุณคเครเชียงรายการรักษการพระอาจารย์ครับ นี่เข้ามาร่วมรับฟังครับไม่มีคําถามกับอาจารย์ครับยังปฏิบัติอยู่ครับครับปฏิบัติอยู่ครับต้องเหมือนลมหายใจเท่านะการปฏิบัตินี้ต้องเป็นเหือนกับลมหายใจเรายังต้องหายใจเราก็ต้องปฏิบัตินครับมถ้าเราหายใจได้เราก็ต้องปฏิบัติได้ถ้าผมครับทุกทุกรายละเอียดครับอาจารย์ครับมีสติตลอดครับอาจารย์ครับ ลอบูชาท่านพูดว่าถ้าคุณหายใจได้คุณก็ปฏิบัติทำได้ช่ครับผมดูลองหายใจเข้าให้มันก็เป็นการปฏิบัติทั้งนั้นครับผมครับผมครับวันวันวิสาที่ผ่านมาก็ปฏิบัติบูชาครับพระอาจารย์ถึงเที่ยงคืนครับพระอาจารย์ครับไม่ไม่ไม่เป็นเลยแบบเช่นเดอยมันร่างกายมันไม่ไหวครับอาจารย์มันจะหลับครับอาจารย์ก็ปฏิบัติเอาแบบเต็มที่ไปเลยก็ประมาณเที่ยงเที่ยงคืนครับอาจารย์ เพรว่าผมก็ตื่นตีสี่ปฏิบัติความเช้าตีสี่ทุกวันอยู่แล้วครับอาจารย์ครับครับนักศึกสาครับนะครับครับครับผมสาู้ครับอาจารย์ครับเป็นยอด้าเชินะครัอก่นจมัดการค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ปฏิบัติตลอดนะคะแล้วก็ ไอพายุที่ผ่านมานี้พัดต้นไม้หักไปเห็นอันนี้จังกับอนันตาเลยพระอาจารย์แต่ใจก็นิ่งเลยสมัยก่อนจะรักต้นไม้ค่ะต้นไม้<ช>หักโค่เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวย้ายวันพระไป็วันศุกร์นะคะเพราะว่าพอดีวันจันทร์เลยเนี่ยต้นไม้มันทุระเยอะเลยพระอาจารย์ก็ไประวัติตลอดแต่เห็นความสงบของใจว่าเวลามันมีนมอะไรเกิดขึ้นอะมัน มันก็เห็นอนิจจังกับอนัตตามันคือมันมันนิ่งอ่ะพระอาจารย์มันไม่รู้สึกอะไรสุดท้ายมันต้องเป็นอะไรไม่ถูกนะคระอาจารไม่ถูกไม่ถูกอลยนตตาก็ไม่ถูกค่ะก็รู้สึกว่ามันก็กลับคืนสู่ที่ต้นไม้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราก็คงเป็นเหมือนกันไม่ใช่คงเราก็ต้องเป็นเหมือนกันแล้วถ้ามีชีวิตอยู่ถึงมันฝึกก็จะไปหาพระอาจารย์ค่ะค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติตลอดครับขอบพระคุณค่ะ คนสาส า, างาทายนาสฝนตกหรือเปล่าที่ชายานาเมื่อวานตกค่ะพอาจันตอนนี้หยุดแล้วหรืหยุดแล้วค่ะตอนนี้พ<ช>ี่พี่กูเจ็บกำลังตกหนักเลยค่ะฟังคำค่ะพัดจ<า>ันค่ะปฏิบัติ อ, าานะอยู่ครับเองรักษาการปฏิบัติน่ยายาถดถอยอยาลดน้อยนะค่ะมอากเพ็่มค่ะไม่ค่ะ ค่ะทำไปจนตายอะค่ะลองายู่กับทุกขเวทนาให้ได้นะค่ะค่ะค่ะปฏิบัติุิชาค่ะโอเคอาคุยลูกการอยากเป็นแม่เป็นเลยนมาสการค่ะน้ำมาสการค่ะอาจารย์เป็นยังไงเป็นแม่ก็ดีมากเลยค่ะที่ขึ้นไปที่เขาอะค่ะอือเออมันวิเวกมากแล้วก็ปฏิบัติ หนูว่าหนูได้ก้าวหน้าขึ้นอะเว่ามันมีฉันทะมากขึ้นอคือมันมีความเพียรในการปฏิบัติหนูก็เริ่มเริ่มหนูก็ใช้พุทโธประจิตมันเริ่มสงบมันก็จับลมหายใจได้อะคะอ่ะอพอจับลมหายใจได้มันก็จะดิ่งนะคะมันจะมันมันจะได้สมาธิขึ้นมานะคกะถูกต้องพยายามฝึกสบายให้มันเข้าสมาธิได้ง่ายได้เร็วได้นานค่ะ ก็ไปครั้งนี้รู้สึกเลยว่ามันมันได้สมาธิแล้วก็หนูกมาบ้านหนูก็ต่อแล้วก็เมื่อก่อนหนูก็คิดว่าโอ้โหถ้าตื่นมาตีสี่มาฝึกเนี่ยมันคงจะลําบากแต่พอมันได้จริงๆมันตื่นเองโดยอัตโนมัติะคะ่ะใช่ตีส<ม>ี่ก็จะลุกฉะ้นที่อยู่ที่นู่หนูก็ทําตามที่พระอาจารย์สอนนะคะว่าเดินจงกรมข้างนอกหนูก็ออกมาเดินตอนตีสีแล้วก็ตอนสามทุ่มอะไรเงี้ยค่ะแต่สังเกตตัวเองคือว่าถ้าเรามีสติเราจะไม่กลัว <im itation> แต่ถ้าเมื่อไหร่อ่ะมันมันสั่นๆอ่ะสติตมันจางลงอย่าเงี้ยค่ะยังไม่มั่นอย่าเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกกลัวแต่พอกลัวมันก็จะมีคําตอบกลับมาว่าเขาไม่ได้มีกายหยาบจไปกลัวเขาทาไมอะคะ <im itation> เขาก็ทํำไมเราไม่ได้ถ้ามีถ้าถ้ามันมีอะไรจริงก็ทําอะไรเราไม่ได้เพราะว่าาไม่ได้มีกายหยาบหมายถึงผีอะค่ะมันก็ไม่กลัวค่ะ <im itation> หนูว่าที่นั่นน่ะเหมาะเลยค่ะที่ที่บนเขาอะค่ะมันมีเสือเนี่ยค่ะหยุด้วย ค่ะแล้วหนูกลับมาบ้านเนี่ยหนูก็จัดสถานที่ไว้สําหรับปฏิบัติธรร ม, มชามืดทำมือเงินวัดไงนะทำเนที่ปฏิบัติธรรมเลยค่ะแต่ว่าคงไม่เท่าที่ขเขาอนี่ยครับเพราะบ้านเราอยู่ริมถนนอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากเรียนพระอาจารย์ว่าจากการที่คุณแก้วเขาโพส์คําสอนของพระอาจารย์ขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะมันก็เป็นข้อเตือนใจอ่ะค่ะอืค่ะอย่างในธรรมะหน้ากุติหรือธรรมะเออ่บนเขาอ่ะค่ะ แล้วก็โพสมาหลายอย่างที่บางทีว่าเราอ่านแล้วเราจะเข้าใจในการปฏิบัติมากขึ้นนะคะอืหนูก็ต้องขอบคุณทีมงานนะคะที่ที่อดึงคําสอนโค้ดคําสั่งของพระอาจารย์มาว่ามาให้คอยเตือนใจที่ทําให้เราอะได้เรียนรู้ธรรมะที่ถูกต้องการปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะอืค่ะเย้พยายามจะอยู่ต่อไปเรียนกับเรียนกั มันวิแท้เอื้อมมือเราแน่ๆค่ะก็เป็นบุญนะคะเป็นบุญแล้วก็เป็นเป็นบุญเป็นมีโอกาสที่ได้มาพบพระอาจารย์นะคะได้มาพบพระอาจารย์ได้มาพบทีมงานที่มุ่ง ม, มั่นช่วยเหลือคนปฏิบัติธรรมะะอะค่ะอืมระดมมาจับจังระดมมาจับจังค่ะแน่นอก็คุยกับลูกตาลทุกวันนะคะเรื่องความตายเรื่องความเพียรก็เตือนเขาตลอดว่าต้อตรงรีดนะ เขาโชคดีมากหนูไม่รู้จักพระอาจารย์เมื่อตอนโควิดเนี่ยเขารู้แล้วหนูก็มาชวนเขาไปไปพบพระอาจารย์นะคะแล้วก็ได้อ่านเี่ไม่กลัวเรื่องความตายนะพูดกันได้นะอ๋อไม่กลัวค่ะนัหนูก็เตรียมรูปนะบอกไม่จะเตรียมรูปไว้นะว่ารูปไหนไม่ใช่ตอนงานศพมั้งไม่กลัวค่ะพระอาจารย์เพราะรู้สึกว่ายังคือคือพอหนูมาปรจุพบพระอาจารย์หนูถึงเข้าใจว่าอที่บอกว่าภูเขาในกองเท่า กระดูกเรานะกองเป็นภูเขาน้ำตาเป็นมหาสมุทรมืก่อนหนูก็สงสัยมันจะเป็นไปได้ยังไงอะค่ะแล้วพะมาเนี่ยเข้าใจแล้วว่าทิฏฐาสีที่มันแตปลรือแต่จิต้มันก็ต้องมาเกิดอีกเวียนว่ายอยู่ในอภัยในภพสามภพอีกอีกก็ในคณะที่ฟังจากพระอาจารย์เน่ยเข้าใจเข้าใจมากขึ้นเห็นมากขึ้นถึงความเป็นอนิจจ์เป็นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาพอหนูออกจากสมาธิมาหนูก็จะมาพิจารณาไจรักอะค่ะได้มากไม่ได้มากพิจารณาค่ะ จริงๆต้องทุกอย่างเลยไม่ใช่แต่เฉพาะตัวเราคนหนึ่งเ่เหมือนกันย์แล้วจิตมันก็จะเป้าหมายกวคืออย่าไปทุกกับอะไรอย่ารับความจริงแล้ทุกอย่างไม่เพียงทุกอย่างเป็นงานต่างๆยีันต่อไปนะกลับขอบพระคุณกัะพระอาจารย์พะาารมีอะไรไห ไม่มีคะ่ะพระอาจารย์หนูยังปฏิบัติทุกวันค่ะหนูนั่งสมาธิทุกคืนหนูก็กล like so ับฮุนโถได้แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้เดอะไรผไี่ยเดี๋ยวหนูจะส่งไปก่อนค่ะเดี๋ยวหนูจะหนูจะจองสักสองคืนก่อนลองดูค่ะพระอาจารย์โอเคจะอยู่ได้ก็เดี๋ยวค่อยไปต่อค่ะแล้วก็ตอนนี้หนูก็หยุดหยุดยาแพนิกแล้วค่ะพอไม่ได้กินหนูก็ หนูก็เรื่องเวลาจะตายกลัวตายขึ้นมาหนูก็พุทโทเอาค่ะใช้ธรรมโอส่ดนวยค่ะก็พยายมมันมันโรนงมันลอยู่ที่ใจไม่มีอยู่ที่ร่างกายค่ะก็หนูก็บอกเขาว่าเขาว่ามาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ยังจะมานั่งกินยาแพ น, นิคอยู่อีกเหรอก็ออพุทโทรเขาสิอืมไปไม่ได้นายามฝกกบม่อย้แต่เช้านั่งมาพุทธโทยไดเลยนะ เอาไว้ทงานอาบน้ำน้ำน้าบแต่งัฟก็พุ่โธพุโ่โชว์เค่ะอาจารย์ก็แบบกินมาหลายปีแล้วค่ะก็เลยแบบเอ้ยหยุดน่าจะหยุดได้แล้วมามาเจอธรรมะแล้วก็จะใช้ธรรมะเอาค่ ะ, ะอ่าโอเคนะค<า>่ะกล่าวขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ามาพยายามอยู่ไห ท, ำทำหําสําเร็จอยู่แน่นอนค่ะสาธุค่ะอ่าคุยนอนยัง้นเป็นยังไง <laughs> สบายดีเลยไหดีค่ะพระอาจพระอาจารย์นะคะต้องมาหลายสัปดาห์เลยค่ะจัดไปลาไม่ได้เลยไม่เป็นไรหนึ่งารนักกิจเนี่ยพะอาจารย์ครับค่ะแต่ก็งานงานบุญเป็นหลักนากกว่างานงานงานดีอย่างน้อยก็อย่าไปทําบาปแล้วกันนะพระอาจารย์อย่าไปเสียบ่บายอย่างนู้กแล้วก็ แล้วก็รู้สึกดีอย่างพาโยมแม่มีโอกาสพาโยมแม่ไปทํางานบุญที่เหมือนไม่เคยทําแล้วคุณแม่ก็มีความเลื่มปิติจริงๆโยมมีความสุขกับตรงนั้นมากกว่าอีกที่เห็นเขามีความสุขก็ <c oughs> เ, เ, เ, เลยรู้สึกว่าเพราะว่าเหมือนแบบพายโยมพ่อไม่ค่อยสบายโยมแม่ก็จะมีความหดหู่อยู่บ้างในบางครั้งก็เลยคิดว่าพาไปทํางานบุญพอเห็นงานบุญล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็แบบ ตัดปลื้มมากจริงๆยงก็ไม่เคยตัดลูกไหวไว้อะไรลูกนี่เม็ดนี่อะไรนะมาวิธีกลับอย่างนี้ไม่เคยแต่ที่วัดก็อยากให้ไปก็เลยพา ย, ยงแม่ไปโอ้โยมแม่รู้สึกมีความสุขมากคงอาจเป็นกับได้ข้อทําได้มีความสุขแล้วก็ก็เลยรู้สึกว่าเออบอกว่าวันหลังถ้ามีกําลังอย่างนี้ก็จะพาไปครับแบบพาไปว้างเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศไปซึมซับเอาจงแม่ไปสวรรค์ก่อนเพื่อแม่ไปสวรรค์ก่นใช่ค่ะ คือโยมแม่มุ่งมั่นอยู่แล้วครับอาจารย์ว่าจะไม่ไปนิดเพราะว่าจะเป็นหมอบอกอย่างงี้ยแบอกเออมีครูบาอาจารย์ก็สอนเหมือนกันว่าอย่าเอาตัวเราหมายว่าตัวโยมอ่ะเป็นหลักว่าคนคนต้องมาปฏิบัติเหมือนเรามันเราก็ยังอยากจะแบบกลับมามีความสุขกับตรงนี้เราก็อย่าเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าให้ไปอยู่ในสวรรค์อย่างพระอาจารย์สอนนะครับ้เรเรียนไหวในปกติปก็ยังอ่าใช่ไปยังรัยอย่างชยอบเลยู่ ค่ะเพราะว่า<ห>อยากออย่าไปอาบายนะอย่าไปที่อย่าไปเสดอาบัยอย่า ม, มุกอย่าไปทําบาปทำแต่มีก็เลยก็เลยรู้สึกอื่นดีบางก็ว่าพอเนี้ยก็เลยเออเราก็รู้สึกว่าโอ้เนี่ยแหละความสุขเราจริงๆพอเห็นโยมแม่มีความสุขก็สุขดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยดีแล้วก็ก็แต่ว่าก็ปฏิบัตินะคะแม่สาวโยมก็พยายาปฏิบัติเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ดีหน่อยพอดีว่าได้ ครูบายจารย์มานนั่งสองสามชั่วโมงก็เวทนาดีอืมก็ใช่ค่ะพอแต่ว่าพอพอเหมือนแบบวันนั้นเรานั่งได้สองชั่วโมงวันถัดมาโยมก็นั่งได้สามชั่วโมงโดยเหมือนกำลังมันมันสะสมกำลังไว้พอสคมควรมาว่าอาจารย์ว่าเมนี้ ม, นมากขึ้นมอะ น, นั่งเก็ยังแบบโอ้ วันนี้เหมือนทําไมคงเป็นเพราะเมื่อวานเราแบบต่อเนื่องได้ก็อีกวันหนึ่งก็เลยเหมือนสติจะอาจจะเป็นอย่างที่พระอาจารย์ว่าค่ะสติก็ความมีกําลังอยู่มากทีเดีย ว, วก็เลยเห็นว่าโอ้อันนี้ก็เห็นเห็นเห็นสิ่งที่แบบเราเราไม่เคยได้สังเกตขึ้นมาตรงนี้ค่ะอาก็ดีค่ะแต่ก็ภา <c oughs> ร ก, กิจอย่างพระอาจารย์ว่าบบจริงๆก็ยังมีบาก ร, รมอยู <c> ่ <oughs> เอในขณะที่หลวงหลวงพี่ก็อยู่วัดดัจวิท่อน้อยกว่าอยู่อยู่วัดอยู่วัดก็เนี่ย น, นะคะทําข้อวัดของท่านไวปโยงก็เจอครูบาอาจารย์ที่อะไก็บอกว่าเออให้ท่านอยู่ไปนานๆนะโยมก็จะบอกว่าโยมอ่ะไม่โยมอนุโมทนาเสมอแล้วก็บอกท่านเสมอว่าถ้ามีความสุขกับตรงนั้นขอให้อยู่ไม่ต้องหงโยมเลยให้อยู่ไปตามอไะไรค่ะอืม ต่อไปโยมยิ่งได้ตามไปด้วยโยมจะได้มีมีผู้นำมีผู้นำทำค่ะใช่ค่ะนั่นก็ก็ดีค่ะคุณบาอาจารย์กลโยมจะไปชวนหลวงพี่ศึกแต่หน้าที่อะไรบอกโยมให้พาท่านอยู่ไปนานๆนะโยมก็บอกไม่เคยอยากให้ท่านออกมาหรอกอะไรนี้ตามอไปนั้นเลยเดี๋ยวแล้วเยมรู้ว่าควรใจไปว้ท่านฟาม ใช่ค่ะก็อย่างนั้นนะเจะต้องเด็กๆในที่ทํางานด้วยค่ะบางทีอยากจะเล่าเองคะเวลาไปกราบท่านก็บอกว่าไม่ต้องไปเล่าอะไรมากนะเรื่องที่อยู่ทางนี้กรุงเทพเรากจัดการของเรากันเองไปอะไร <c oughs> แล้วพยายามจะคัดกรองเรื่อง <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ก็ดีค่ะแต่ว่าคนก็จะแตะโยมก็ซื้อซีนแกล์มาตลอดเลยนะคะจนแบบมันก็ร่างกายเราก็เปลี่ยนจนคนก็สังเกตเห็นนะะเพราะความทานมือเดียวพระเจ้ามันก็น้ำหนัก ไปมากเดีใช่นี่ดูดีขึ้นนะคนก็ถามก็บอกว่าจริงๆอ่ะเขาถามว่าเคล็ดลับอะไรยงก็เลยบอกว่าไม่มีเคล็ดลับอะไรเหมือนคลินิกความงามหรอกนะแค่ทิ้งสีเป้นแล้วก็ทานเหมือนที่หลวงพี่ท่านฉันนอนชามืดเดียวยงก็แบบนั้นนั่นแหละก็เลยบอกว่าไม่บอกว่าจริงๆก็พยายามมาหลายวิธีละสีเนี่ยแหละรักษาเราดีที่สุดอืม ก็ ก, ก็ก็ดีค่ะซันก็มีความสุขดีค่ะก็ไม่ก็เลยวันนี้มีโอกาสก็เลยน้องที่ทํางานบอกว่าเอา้าวพี่ขนัวันนี้มันพุ่แล้วนะบอกเออใช่วันนี้ต้องเข้าแล้วเพราะอยู่ที่นี่เข้าได้ยกรกรุงเทพอา่าก็เลยไปกับดีใจท<อ>ี่ไดนะ้เข้ามาให้เห็นหน้าบ้างคซันจมอยากเข้ามาเลยจริงๆอยากจะไปทั้งที่ชนบุรีอาทิตย์ที่แล้วว่าจะไปแล้วว่าตายละสงสัยรถจะติดมากเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวอืม แต่จะป อ, <c oughs> อยี่ไหนก็ได้ไม่ต้องมาก็ได้ที่บ้านก็ได้ทางซูนตอนบ่ายทางเททางที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาที่วัดก็ไ้เหมือนกันพจยนัน่งสมาีิด้วยกันเดี๋ยวนี้เทศแล้วก็มีนั่งสมาธิสองโยมนั้นได้ยินว่าพระอาจารย์เหลือเทแค่ครึ่งครึ่งนึงครึ่งหนึ่งครึ่นน ง, งนึ่งมานั่งสมาธิกันดีนะคะโยมว่างนี้ โอ้บัารแล้วได้ยินว่าทุกคนชอบเราจะได้ฝึกสมาีิด้วยค่ะบางคนไม่มีโอกาสตรงนั้นค่ะอาจารย์เมืนอพ่อแม่ครูอาจารย์นาก็เหมือนมีกาลังใจอยู่ตรงหน้าเราอืมใช่ดีแล้วเด็กขอเราเราเราด้วยเราจะได้พูดน้อยหน่อยได้ักด้วยถ้าคุณพูดชั่วโมมันก็ใหญ่มากมันก็เหลือครึ่งชั่วมวสบายขึ้นเยอะพูดทักเดียวก็จบนะนั่งต่อนั่งปรมาณน้จบด อยายยอมโอเคแล้วก็โอเคที่แบบคนคงอยากเห็นท่านถนอมธาตุขันค่ะจะได้รับรอไปอีกได้นานๆวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะเราก็ดีใจที่วันนี้ได้เข้ามากราบท่านนนอย่างนึงทางศีลภาวนาเนะทั้งสามอย่างนะทําให้มันมีครบมันอาหารนะทานกินอาหารมันครบไปครอบห้ามือใช่ไหมค่ะอ๋อันก็อาหารใจแล้วครอบสามมือทางศีลภาวนา ใชเพราะว่า <P an throp od> มันนั่นก็มีคนมาถามโยมว่าทําไมไม่ภาวนาไปอย่างเดียวล่ะมันก็ว่าเขาก็เขาก็สงสัยมันเขาไปอ่านมาว่าภาวนาคนจุโอ้ยมันก็ต้องทําทั้งสามอย่างยังไม่รู้สำหรับโยมองว่ายังไม่รู้เลยจะชาตินี้จะหลุดพ้นหรือเปล่าไม่ทำทานเอาไว้เดี๋ยวตายไ ป, ไปสักหน้าเกิดไม่ไม่มีไม่ يع, มีน ะ, ะนถ้าจะภาวนาก็ต้องเปบวชถ้าจะภาวนาเดราก็ต้องเป็นนักบวชทำเป็นนักบวชแล้วก็ไม่ทําทาน้วทานดอกไปหมดแล้วทุกอย่างใช่ไหมลาไปหมดแล้ว อ่าดีค่ะอาารย์ยังก็โอเคนะพยายามรัษกรา ษ, ษาษกราปรปฏิบัติต่อไปอาจารย์รักราษาธาตุขันนะคะาาใช่ขอเชิญครับอ่เปนยนดีเป็นงงอากา ร, ห, าาการหนาไหมอนนี้อาการเริ่มดีแล้วคะ่ะอาจารยร์มดีแล้วะเริ่มดีแล้วค่ะเอเ่อมีอาทิตย์นี้ค่ะที่ช่วงบ่ายยี่สิบสองยิบเอ็ดอ่ะค่ะ นก็กาลังสบายเลยสองเดือนค่ะกําลังสบายเลยค่ะท่านอาจารย์แต่พออยู่ในบ้านมันก็แลแบบชื้นชื้นนิดนิะแล้วค่ะท่านอาจารย์มันมีมันมีความชื้นนิดนิดค่ะจากผลที่ตกไม่ได้ออกไปข้างนอกเ่าเนี่ยหนูใช่ไหมคะออกท่านอาจารย์ก็ออกออกออกไปเดินนะคะเดินจงกลมมาหาท่านอาจารย์ข้าบ้านนะรับอากาศรับอากาศข้างนบ้างนยค่ะ ข้างบ้านนะค่ะถ้าอาจารย์เขาก็มาชวนไปมาชวนไปเดินเราก็เลยแบบแบบมีความรู้สึกว่าถ้าไปเดินกับเขาเนี่ยเราต้องคอยพูดกับเขาอะค่ะก็เลยมีความรู้สึกไม่อยากไปก็บอกเขาว่าอ๋อกำลังทำหนูชอบไปคนเดียวพอไปคนเดียวแล้วเราเราเราเราได้ค่ะแต่ถ้าเกิดไปเดินกับเขาแล้วเราต้องมันต้องคุยอค่ะพูดค่ะเราไม่พูดมันก็จะเสียมารยาทก็เลยบอกเขาว่าเออเราไม่สะดวก แต่พอช่วงบ่ายหนูก็ไปค่ะดีแสดงว่าหนูเข้าใจวิธีการบฏิบาลนะค่ะท่านอาจารย์ก็อย่างเนี้ยค่ะแต่มันก็มีการเพิ่มนะคะท่าอาจารย์เมื่อเมื่อคราวก่อนแต่ลูกไม่ได้พูดลูกลูกไม่ได้พูดลูกไม่ได้เรียนถามท่านอาจารย์เพราะว่าคือเรื่อง เ, ออเวลาค่ะแต่ก็ได้คําตอบตอนช่วงที่ อ, อคุณชุบเขาถามะค่ะแล้วอาจารย์บอกให้มีเมตตา คือเขาทะเลาะ ก, กันนะคะท่านอาจารย์ข้าม่นะค ะ, ะเขาทะเลาะ ก, กันแต่คือเขาผู้ชายค่ะเขาดีนะคะตอนที่ช่วงที่เดวิดอยู่คนเดียวที่ย้ายมาเนี่ยเขาเขามีเมตตากับเดวิดตรงที่ว่าเขาเอาไอ้นี่ค่ะเอาเครื่องอะคะ่ะมามามาช่วงทางเดินที่จะเข้าบ้านนะคะเขาเอามากวาดถนนให้นะคะกวาดกวาดทางเดินให้มาเจาะทางเดินให้เพราะว่ามันเป็นน้ําแข็งอ่ะคะ่ะ<ม>แล้วเขาเขาเมตตาดีค่ะท่านอาจารย์เอาจาก คนที่ก็เป็นชาวต่างชาติแล้วเราเพิ่งเข้ามาแล้วเขามาเจอคุณแบบนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเขาน่ารักแล้วหนูก็เชิญเขาทานข้าวเปเรียบร้อยแล้วค่ะท่านอาจารย์เป็นการขอบคุณแล้วเขาเาทะเลาะกันแบบพอเวลาเราได้ยินเสียงทะเลาะกันเนี่ยมันมันทาให้เราใจกระเพื่อมนะคะท่านอาจารย์พอใจกระเพื่อมปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็ท่องตัวเองอ่ะค่ะว่าสักสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้ยินสักแต e ่ได้ไปยินแต่ แต่มันก็กระเพื่อมนะคะอาจารย์การที่เรากระเพื่มเย่างนี้มันมันมันมันมันดีไม่ดีอ่ะนอาจารย์ไม่ดีแหลต้องเชื่อจะไม่ได้เบิกฐานไม่ใช่เรื่องของเราอานาตตามันต้องท่องอานาตตาเหมือนดินฟ้ากาดฝนตกฝนตกแดดออกค่ะได้จะได้สักแต่ว่าได้ยินที่ท่านอาจารย์หมอให้สักแต่ว่ารู้ถ้าเห็นก็มันต้องเห็นต้องจะสักแต่ว่าได้ต้องเห็นต้องมีปัญญาก่อนต้องเห็นว่ามันเป็นเหมือนดินฟ้าสัตว์ เดยาก็รักกันเดี๋ยวเาทะ ก, กันเปนเรื่องของปก<ล>ติของคนที่อยู่ร่วมกันมีกับฟันก็ต้องคบคบกันบ้างแล้ว<ม>แล้วผู้หญิงเขาก็มาเขาก็มาที่บ้าน่ะค่ะท่านอาจารย์<ม>เขาก็มาที่บ้านแล้วเขาก็มาระบายให้ฟัง<ม>พอระบายให้ฟังหนูก็เลยเอาคําสอนของท่านอาจารย์นะค่ะไปสอนเขาหนูบอก<ม>อยู่หนูบอกว่าอายุก็มากแล้วอยู่กันด้วยความเมตตานะแล้วหนูก็เลยบอกว่า อายาา ม, มองโลกให้ในแง่ดีนะท่านอยู่มองโลกในแง่ดีทุกอย่างมันก็จะดีนะอยู่จะเอาทุกหรือจะเอาสุขหนูกะถามเขาว่าชี้ถงอ ย, อยู่อยู่เลือกได้นะแล้วเป็นอยู่คนเดียวนะที่อยู่สามารถเลือกได้เองไม่มีใครที่สามารถเลือกให้คุณได้นะ <S <S หนูก็สอนเขาว่อย่างนี้เขามีความสุขมากเลยคะ่ะท่านอาจารย์ <S <S แล้วเนี่ยเขาก็กลับมาดีกันพอกลับมาดีกันเมื่อวานคขาเขาไปพวื่อวานเ ข, ข, ไ, ปนเขไปหาหมอมาใช่ไหมคะท่านอาจารย์ ดูผลตนเรื่องแล้วเข้ามาหาหนูพอเข้าหาเข้ามาหาหนูเขาเอาแต่งมงให้หนูแล้วแต่และวเขาบอกว่ายินดีรู้ไหมเนี่ยไปหาท่านไปหาหมอผลตรวจดีมากเลยแล้วไออ่ะส่วนใหญ่ไอก็จะคุยกับหมอทุกอย่างเลยเอ่อแล้วไอ ย, ยังคุยเรื่องอยูให้หมอฟังเลยนะที่อยู่สอนไอามาเออ ไอ้ขอบคุณมากเลยนะอะไรเงี้ยท่านอาจารย์ลูกก็ขอบเพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะลูกก็เอาคําพูดของท่านอาจารย์นะคะไปสอนก็อีกทีกันค่ะท่านอาจารย์อการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งป่วยค่ะท่านอาจารย์เขาก็เมตตาแล้วเสร็จแล้วเมื่อวานเขาเข้ามาบอกหนูว่าเออ่ลูกชายเขาอะเป็นเกย์แล้วลูกชายเขาอะนับถือศาสนาพุทธนะยังแบบศักดิ์อะค่ะท่านอาจารย์เขาศักดิ์ที่หน้าอกเ่าศักดิ์เป็นลูกพระพุทธ พัพับพุทธอะค่ะค่ะเขาสักตรงหน้าออกเขาเลยค่ะลูกก็เออก็ก็ดีใจด้วยก็บอกเขาว่าลูกอยู่ให้นั่งสมาธินะเออ่เขาก็บอกว่าเอาเ อ, เ, อ, เ, อเดี๋ยวเขาบอกเนี้ยเขาก็เดี๋ยวจะลองคุยกับลูกดูอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะนั่นก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะท่านอาจารย์ก็เขาก็อยู่ในอย่างนี้แล้วก็ทําหน้าที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีให้ทำหน้าที่ แต่ที่แรกก็ที่แรกก็ยังคิดอยู่ว่าจะเอาไงดีแบบคือคือไม่อยากจะเผือกก็ก็กลัวเหมือนกันนะคะท่านอาจารย์ก็ก็กลัวเอาไงดีจะแบบขึ้นมาแล้วพล็อาให้ม า, าท่านอาจารย์อย่าไปยุ่งเขาแต่ถ้าเข้ามาขอที่เครื่องจากเราแล้วก็ช่วยเขไปค่ะท่านอาจารย์นั่นแหละค่ะก็ได้ได้ได้ได้ได้ได้ไ ด, ไ ด, ไ ด, ไ ด, ได้จากที่ที่คุณจุ๊บก็ถามท่านอาจารย์หนูก็เลยทำเมตตาก็จบไปก็ อย่าไปยุให้เขาแตกกันไม่ไม่ค่ะไม่ไมยุให้เขาทะเาะกันให้เขาทะเลาะามโเคกันไม่ค่นหนูบอกเขาค่ะหนูบอกอายุมากแล้วนะหนูบอกเนี้ยให้อยู่กันด้วยความเมตตานะแล้วก็เวลามองเขาว่ามองผู้ชายอ่ะอยูุอย่าไปมองในแง่ที่ลบอยู่มองแต่ในแง่ดวกอยู่มองแต่ในแง่บวกคนเราอ่ะถ้าเกิดอยู่มองในแง่บวกมันจะนำความสุขมาให้ยู่นะ ดังนั้นนะ่ะให้อยู่กันด้วยความมีความเมตตาแล้วให้อยู่ให้มีความสุขแล้วก็มองด้วยว่าให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็สิ่งต่างๆที่ผ่านมาอยู่อย่าเอามาลื้อฟื้นหนูก็เลยหนูก็สอนเขาไปอย่างเงี้ยก็เหมือนเหมือนเหมือนที่ที่อาจารย์เคย ส, สอนนะคะาาก็เราเป็เสด็จหนูปฏิบัติอยู่แล้วหนูถึงพูดได้ถ้าหนูไม่ได้ปฏิบัติหนูพูดอย่างนี้ไม่ได้นะ อาจารย์ก็เนี่ค่ะท่านอาจารย์ก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์อยางสูงค่ะแล้วก็เดวิดเมื่อเช้าก่อนไปเขาก็บอกท่านอาจารย์ค่ะว่าให้เรียนท่านอาจารย์ด้วยว่าบอลซองเต้เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์คิดถึงท่านอาจารย์เหมือนเดิมแล้วก็แล้วก็แมตชซีโบกู่เหมือนเดิมนะค่ะท่านอาจารย์แต่เมื่อเขาเขาก็ปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ก็ไม่มีนะคะท่านอาจารย์หนูยังถามเลยว่าตอนที่เข้าไปที่ไปทํางานที่ที่ที่ ที่ที่ที่กรีมวิลแล้วก็เออีกครั้งหนึ่งก็ไปที่แคนซัสหนูถามว่าช่วงที่ทํางานเนี่ยอยู่นั่งสมาธิหรือเปล่าเขาบอกเขานั่งท่านอาจารย์ก็พัฒนาเขาไปค่ะท่านอาจารย์เขาก็ไม่มีอาจารย์เขาไปเห็นประโยชน์จากการนั่งสมาธิไหมก็แบบเขาก็เขาเห็นด้วยความที่เาเห็นหนูทําด้วยหรือเปล่าว่าหนูก็ไม่เคยหยุดไม่เคยอะไรเพราะว่าเวลาหนูไปไหนหรืออะไรหนูก็ไม่เคยใจไมะหนูก็จะพยายาม ของหนูทุกวันไม่ให้ขาดเพราะอคําสั่งสอนท่านอาจารย์ท่านบอกว่าที่บอกว่าให้ใ ห, ให้ให้ทําทุกวันก็อยู่ก็ทำค่ะอาจารย์ไม่ไม่เคยขาดค่ะอาจารย์อาจย์ค่ะขอบคุณท่านอาจารย์อย่งางสูงที่สั่งสอนอ่าคุณปางวาันนี้อยู่เกาะสีชังก็อยู่ที่ไหนไม่อยู่สีราชาแต่นักการศึกษาตอนนี้อยู่สีราชาตรุงนี้ไปเกาะสีชังเจา้าค่ะ แต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้ชิวนอนค่ะเวลาไปที่ไปทํางานแล้วไปคข้าทอนไปทํางานค่ะ<ม>แต่ว่าช่วงช่วงกลางคืนคือไปทําปั๊บนึ่งค่ะเรื่องงานห้าโมงเย็นหกโมงก็ขึ้นห้องได้เลยถ้าได้ห้องก็ขึ้นได้เลยอยู่ที่เกองเงียบกว่าอยู่ที่ทีๆๆ่ฝั่งไหมอยู่ที่เกาะเงียบกว่าเจ้าค่ะอืมมนไม่ใช่คนไม่ใชรถมาไม่ใช่รีบเมื่อไหรนี ห น, หนูกะว่าถ้าถ้าหนูเก่งขึ้นเนี่ยระหว่างทางทางที่ไปโรงแรมนะคะมันจะมีวัดเอ่อเอ่อจําชื่อไม่ได้ว่าวัดอะไรแต่ว่าระหว่างทางจะเป็นโกดที่ตั้งทางทางทางทางถนนน่น ะ, ะซึ่งอันนั้นเนี่ยหนูก็มองอยู่ว่าเออถ้นูถ้ น, ถนูเลิศเก่งมากๆในช่วงกลางคืนเนี่ยหนูก็น่าจะเดินไปนั่งอะไรยเงี้ยแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วยแต่ว่าก็คิดว่า ถ้ไม่นั่นก็คือไปนั่งที่โรงแรมนั่งคนเดียวก็สงบแล้วค่ะมัน<ต>มันไม่มีสิ่ลองให้แน่ใจเรื่องความปลอดภัยเรอยาเพิไ่ไปเสี่ยงจค่ะค่ะวันนี้ก็มีบททดสอบมานิดนึ่งค่ะคือช่วงช่วงที่หนูเอฝึกเรื่องสติเยอะๆค่ะก็หนูมานั่งจับดูว่าเวลาจิตที่เราโมอโหูค่ะเรารู้ว่ามานมโหูหรือว่าสักพอเรารู้ว่าโมโหูสักแป๊บหนึ่งอ่ะมันมันจะสามารถที่จะคลายได้ค่ะ สติเราเร็วขึ้นนะติเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นใช่ไหมถึงแม้มรู้ว่าเราโมโหเราเศร้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าถ้าเรารู้เนี่ยมันก็มันมันจะเร็วขึ้นต้องไหมจ้ะคะก็จะหายเร็วขึ้นออค่ะทีนี้ก็มีมีบททดสอบค่ะคือที่เจ้าลูกสาวเขาเขามากราบพระอาจารย์แล้วไปอเมริกาค่ะตอนนี้ก็ไปถึงที่อเมริกาที่ละ阿拉斯加ละอม ก็คุยสื่อสารกันกันประมาณวันละสองครั้งะะอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ค่ะอเอ่ อ, อ, อ น, า น, นานทีเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าถูกถูกเอ่อเหยียดเหยียดเหยียดผิวประมาณวันเว้นวั น, วนแล้วก็ไปเจอหัวหน้าแม่บ้านที่ติดยาแล้วก็ขโมยเงินปิ๊บวันนี้ล่าสุดก็ที่ ท, ที่บอกมาก็คือเอ่อ ถูกขโมยกระเป๋าสตางค์ที่หน้าวอร์มาร์ทอะไรเงี้ยค่ะหนูฟังแล้วหนูก็หนูก็นั่งหนูก็เฉยๆนิ่งๆงก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่ารู้ไปว่าถึงแม้ว่ามันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นมันทำอะไรไม่ได้หนูก็แค่บอกว่าถ้าจะอยู่ก็อยู่จะกลับก็กลับอะไรเนงะี้ยค่ะมันก็เลยนึกถึงได้ว่าไอ้มันโยงไปถึงเรื่องจิต ทีนิ่งหรือสติที่นิ่งนะค่ะมันก็เลยทําให้เราเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เกิดก็คือเกิดสักแป๊บหนึ่งมันก็ดับแล้วงเรามันมันวางไว้ตรงนั้นก็จบแค่นั้นไม่กังวลกวังวลใจจิตก็ไม่ได้มีจิตกาไม่มีเาอาเบี้ยายเห็นอะไรก็เลยเกิดความรักชังกลัวหลงขึ้นมาของเราก็คือฝึกให้มันมให้มันเป็นจิตมีปกติอันนี้เป็นจิตคกายจิตวิญญาณ ทำแทนกันไม่ได้รอกได้แต่แต่แต่จะทําได้หรือ ไ, ไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวของฝึกนั่นก็ไม่ฝดกถ้าฝึกสมิออนั่าสมาธิบ่อยๆจิ่งก็จะปล่อยวา ง, วาง ไ, ได้วางเฉยได้แต่ยากจะยากกว่าน้องจ่าแมเดตีต่ตรงที่ <c oughs> เขาเขาเขาเข า, เขานั่งสมาธิแต่ว่าเขาตัวเขายังไปจุดจ่อในเรื่องพว ก, กาศาสนาเขาอะไรเงี้ยก็ ก็เลยบอกเขาบอกว่าก็แล้วแต่จะทำอะไรก็แล้วแต่เขาแค่ให้รู้ว่ามงสติมีทําไม่ดีมันก็มันก็อยู่ที่ตัวเราถ้าดีมันก็อยู่ที่ตัวเราก็แล้วแต่ว่าจะเลือกอะไรนะก็เลยสอนเขายากแล้วหนูก็เลยใช้วิธีว่าให้ไปเจอกับตัวแล้วก็แก้ไขเองอะไรเงนี้ยก็ไม่มีม่อยกไปยุ่งยุ่งวุ่นวายกับเขาให้เขาจัดการเรื่องชีวิตเขาเองอ่ราอยู่ของเขา ค่ะเจ้าค่ะเปนชีวิตของเขาเราก็เราก็มีหน้าที่ที่ให้เขามาเกิดแล้วก็มีหน้ า, าที่ดูแลเห้มันเป <แ S 2> ็นสุขเขาสั่งสอนเขาไปเขาจะทําได้ไม่ได้ก็อยู่ในตัวเขาค่ะอืมอเจเราไม่ต้องกับเขาใช่ไหมเราทุกข์กับแบบไม่ทุกข์เลยค่ะฟัมงมีปัญหาทุกทุกครั้งหนูหน ก, หนก็หนูก็แค่เตือนว่าเออมันมีต้องมีสตินะต้องใช้สติ สติเป็นตัวสําคัญหนูจะบอกนี่ตลอดหนูมไม่หนูมไม่ทุกแต่พ่อเขากังวนกระวายมากหนูก็หนูก็เฉเฉยเฉยเยนั่งนิ่งๆของหนูเลยอะหนูหนูก็เลยแบบเออพอมานั่งมานั่งเรียนเรียนความได้คืออ๋อเราน่าจะมีสติมากขึ้นนะคะมันก็เลยแบบไม่ได้ไปทุกบร้อนอะไรมากเพียงแต่ว่าความเป็นแม่ค่ะก็มีหน้าที่ให้บอกว่าก็มีขั้นที่เตือนแล้วก็ให้ระมัดระวังประมาณเนี้ยคะ่ะอืมอยู่ไม่ได้ลกลับสิคนะ่ะ ค่ะก็ะอบอกเขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไปเสียดายเงินกลับมาเลาอยอะไรเงี้ยอเวลา<ด>จะไม่รู้ว่าเป็นยังไงที่่าเป็นสวรรค์ไปพอไปจริงจริงไปเจอในโลกมากใช่ค่ะตัึ ง, งแต่เราขับมาเราตั้งแต่เรากลับมาเราไม่เคยคิดอยากจะกลับไปเลยค่ะใช่ใช่ะที่อยากจะไปเราปล่อยเข้าไปแต่เราไม่ไปเลยค่ะแล้วก็เมื่อวันจันทร์ที่หนูไป ไปที่กุฏินะคะตอนนี้ก็นานๆไปทีนะคะพอพอรอบที่ไปอ่ะคะ่ะมีความตั้งใจมากะคะ่ะเพราะว่าเหมือนที่เพื่อนๆคุยนะคะ่ะพอไปนั่งที่กุฏิแล้วเรานั่งสมาธิอะลองฟังทำรอบแรกแล้วก็นั่งสมาธิรอบสองอะมันก็ตกหลุมตกบ่อเหมือนแบบกายมันก็ซาบซ่านไปนหมดเลยมก็เลยรู้สึกว่าอกเออเพราะว่าเรามีความตั้งใจมากๆแล้วแบบทําอะไรแล้วแล้วเหมือนกับมันมีมันมีค่ามาก พอไปถึงปุ๊กมันก็เลยสงบสงบดีค่ะก็ดีนะดีกว่าดีกว่า น, น, นั่งที่อื่นนะดีกว่านั่งที่อื่นจริงๆอ่ะมีหลายๆคนเขาบอกว่าไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านมึมบอกว่าอเออมันคนละเรื่องกันเลยนะเราไปเจอครูบาอาจารย์หนึ่งสองเราไปเจอที่สงบสามเราไปเจอที่คนคนอมีความตั้งใจค่ะต่างคนต่างเงียบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอย่างแง่ดีที่สุดเลยค่ะ รู้สึ่าคนนี้ไม่ไม่สนใจใครต่างคนต่างนั่งไปต่างคนต่างนั่งเลยค่ะดีค่ะก็รอบรอบรอบนี้ที่ไปก็ตอนนั่งก็นั่งกันเงียบกิ๊บเลยก็รู้สึกว่าเออก็สงบดีอ่ะชอบค่ะดีกว่าไปบางที่ที่มีหลายๆคนบอกว่าทําไมพี่พี่ไม่เปลี่ยนที่หนูไม่ไม่เปลี่ยนแล้วค่ะเอาตรงเนี้ยค่ะมีครูอาจารย์เดียวเอาให้เอาให้รู้เรื่องมีหลายครูแล้วก็งงเอาครูคนเดียวดีกว่าฝึกครั้งเดียวแล้วจบเลย ค่ะดี้าได้คำตอบแบบที่เราต้องการแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาคำตอบนะรู้แล้วต้องทำอะไรก็ทำไปเจ้าค่ะก็ปฏิบัติบูชาเหมือนเดิมเจ้าค่ะอ่าสาวเจ้าคุณขันชินใต้วันน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ขอรับอืมสบายดีนะสบายดีครับ ปฏบัตนั่งวา่าบานนั่งสมาธิบ้างว่าบานก็ไม่ก็ได้นั่งเท่าไหร่ครับเพราะว่าห้องแบบอยู่หลายกะรวมกันนะครับอยู่หลายคนนะอืครับก็สวดมนต์ก่อไมะก่อนนอนก็สวดมนต์พหน่อยก่อนนะครับก่อนนอนก็สวดมนต์ครับทุกวันนะครั บ, ม, รบมีอะไรไหมวันนี้เข้ามากราบาจานของเราเป็นกราบสุขใจจ้าแล้วนะ ครับขอให้อาจารย์ภาพการแข็ยแรงครับคุณปุ้ยตาคุณปุ้ยรักสเสมอทำน้ำสการค่ะพระอาจารย์คุณปุ้ยเองค่ะพระอาจารย์ได้ยินคุณปุ้ยใหม่คะ่ะได้ยินอย่างชัดเจนพระอาจารย์สบายดีไหมคะถ้าไม่สบายคงยังไม่ได้มาเที่ยวคุณปุ้ยสบายดีอืม ปฏิบัติดีขึ้นกว่าที่ก่อนคะ่ะสวดมนต์เจริญจิตพานาสือสิงแปดตามพระอาจารย์ทุกวันคะ่ะแล้วก็มีวันนี้โยมแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้มันตื่นไม่ได้อะมันเหมือนกับมีอะไรมานอนทับตัวมตื่นไม่ได้แต่เป็นอนี้จังแบบเช่นนัห้หน้าตาแบบจังเป็นของหน้าตามันเป็นอะไรก็รู้ตามความเป็นจริงแต แต่โยมก็โอเคโยมก็เรียนปฏิบัติอวันหนึ่งมันก็โอเควันหนึ่งมันก็สดใสแต่วันหนึ่งมันก็นิ่งแต่ส่วนมากมันแต่ว่ามันก็ไม่ได้เห็นอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะเห็นอะไรเห็ น, เ ห, นเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ของร่างกายเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเราสงบขึ้นเยอะแล้ว mm hmm. เราไม่โวยวายเรารู้จักคิดก่อนพูดเรารู้จักว่า อืมว่าหน้าที่อะ่ะมันมาก่อนมันมาก่อนความราคาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราโยมตัดสินใจแล้วเขาโยมบอกกับพระอาจารย์แล้วว่าโยมได้ตัดสินใจที่มอบกายถวายชีวิตเดินทางธรรมแล้วโยมต้องทำให้ได้ต้องเอาชนะกิเลสราคาให้ได้แล้วโยมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงค่ะในสามปีเนี่ยที่โยมทามาโยมเปลี่ยนแปลงแล้วโยมก็ไม่ถอยกลับแล้วค่ะ คือสู้ใจค่ะอาจารย์มยมดีใจมมยมยมไปช่วยพระพระทสายหลวงปู่มั่นท่านป่วยหนักคะ่ะแล้วพอดีว่าท่านไม่ไม่ไม่เก่งเกี่ยวกับเรื่องเรื่องทางอินเทอร์เนต็ตอะไรอย่างนี้และยมอธิษฐานว่าตอนวิสาขบูชายมได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ยมผ่านเข้าไปแล้วไปเจอพระที่ว่าป่วยยมอยากจะช่วยเหลือและยมก็ ได้เจอจริงๆแล้วก็ได้ช่วยเดี๋ยหลวงปู่ท่านค่ะท่านบัตรชรามากแล้วท่านสายหลวงปู่มั่นนะคะใช่หลวงปู่ศรีอ่ะพระพราธเจ้าหอกดูแลพระป่วยถ้านก็ดูแลพระพุทธเจ้าใช่ค่ะเพราะว่าท่านน่าสงสารมากแล้ววันนั้นโยมเห็นพระหลวงหลวงปู่หลวงปู่ดำอ่ะพระูุ้้ยโยมเคารพหลวงปู่ใหม่มาก ท่นเป็นสามพี่น้องอะ่ะแล้วเคาลบ ก, กันเหมือนสามพี่น้องแล้วเอชนี้โยมเห็นอะ่ะหลวงปู่ดําท่านไปสวดและการสวดอันเนี้ยคือยมเข้าใจว่ามันเหมือนกับการสวดขอขมาครูบาอาจารย์แล้วเหมือนกับเอ่อท่านป่วยหนักนะฮะแล้วยมก็เลยเอ้ยพยายามทำหาแล้วโยมก็ถวายบุญไปเอ่อยมเอาบุญมาฝากพระอาจารย์ทัานค่ะแล้ ม, มาฝากอะไรฝากไม่ได้หรอกบุญได้บุญมัน โยมก็เพียนทานศีลภาวนานะให้ครบทุกวันโยมขอให้มารับพลังอาจารย์ขออยาให้เกียรติให้โยมเพียนมากๆขึ้นไปอ่ะทำบุญนอเก็บบุญไว้เอไปฝากคนอื่นไม่ได้ถ้าฝากคนจดบุญแล้วก็หมดแบบเนะี่ยโยมข <laughs> <ญ S 2> องกายอของมันฝากกันไม่ได้หรอกนะ ใครทำใครได้ใครไม่ทําใครก็ไม่ได้เอามาฝ <Okay. S 1> ากกันไม่ได้หรอกอืนน mm ี hmm. ้ต้องทาความเข้าใจในคนไม่เข้าใจฟังแล้วคิดว่าทำบุญแล้วมาฝากกันได้ไม่ได้เหมือนไปซื้อของที่ร้านมาแล้วเอามาแบ่งกันนี่นะบุญใครบุญมันต้องทํำกันเองอืโยมก็น hmm. ั่งได้คุยแล้วก็ดีที่มีความไม่ตาที่มีความเมื่อเพิ่ ม, มเพื mm ่อแผ่ แต่บ<ต><ล>ให้ในสิ่งที่ให้ได้ไม่ใช่ไม่ห้ในสิ่งที่ห้ไม่ได้จริงคเพราะว่าท่านท่านมีความน่าสงสารมากเพราะว่าวัดท่านแบบว่ามันมันเหมือนกับว่าไอการสื่อสารมันเข้าไม่ถึงะะอะค่ะแล้วเอท่านเป็นสายหลวงปู่มั่นแล้วโยมก็เอ๊ะทำไมโยมง่วง น, น, นอนเรื่อยเลยวะเมื่อสองอาทิตที่แล้วถ้าเป็นสายหลวงปู่มั่นไม่ต้องไปกังวละท่านท่านดูแลตัวท่านเองได้ไม่เป็นปัญ ใช่ค่ะใช่เพราะท่านจะเหมือนกับที่เ อ, อพราจารย์พูดอ่ะเหมือนกับอะไรนะที่ไม่ต้องไปหาหมอมนหนอ่ะเอโยม<ณ>ใช่ธรรมโอรสท่ทานนี้ธรรมโอรสเห็นไหมโยม <c oughs> เคยคุยกับออพอกับหลวงปู่ําคือโยมไม่เข้าใจภาษาอีสานแต่ที่นี้มีคนแปลให้โยมทีนี้โยมก็เลยเอเห็นหลวงปู่ท่านอ่ะซึ่งซึ่งอีกอีกท่านนึ่งอ่ะ เป็นพ ก, กิจิแล้วท่านท่านมีเมตตามากแต่โยมคุยไม่เป็นเพราะเขาใช้ภาษาอีสานโยมก็สงสารท่านมากเลยค่ะอฮะโยมหากให้ท่านหายท่านจะได้สอนลูกหลานเก่าไปอะค่ะก็ดีโอเคนะ <c oughs> มีอะไรไหม <c oughs> จะมาขอพลังอย่าให้โยมขี้เกียจงานอย่าให้โยมทำบาปทำกรรมเลยนะอขอขอ <c oughs> ได้รับที่ต้องการทุกประการเด้ ขอให้โยมขอให้โยมได้ภาคแบบให้มันเพียนมากกว่านี้มันมันมีความรู้สึกมันไม่ถึงที่สุดแบบไห น, นจ๊ะก็ทําเสร็จาอยแตดหน้าก็ต้องทําใช่ทําทุกวันค่ะอาจารย์ทําให้มากขึ้นนะใช่ค่ะขอให้อาจารย์ทาดขันแข็งแรงเจ้าค่ะอาจารุาาทร <c oughs> คุณซันนี่แมนค่ะ เก่ก ง, ง, งเลยมาสการค่ะอาจารย์รางวัลแบงค์เขานี่มาจากไหนจะตอนแรกๆที่เข้ามาไม่ใช่ค่ะตอนแรกๆที่เข้ามาพระอาจารย์มักจะถามคนอื่นว่ า, ามาจาก ไ, ไหนคะ่ะหนูก็เลยใส่ไว้ให้ก็าาายาวนะแล้วก็เลยใส่ยาวเลยค่ะอาจารย์ดีไม่เป็นไรก็ดีเหมือนกันแต่พอาจารย์หนูก็ยังอถือสินแปดอยู่ค่ะแล้วก็ยัง ฝึกเจริญสติระหว่างวันแต่ว่าช่วงนี้งานค่อนข้างยุ่งก็จะเจริญสติพุทโทรได้น้อยแต่ก็พยายามอยู่กับให้ใจอยู่กับงานที่ทำค่ะอย่าลอยไปที่อื่นให้อยู่กับงานเห็นน้อยก็ได้ขึ้น ไ, ได้จิตที่ตั้งมั่นแต่ยังไม่เนื่งยังไม่สงบแต่ก็รู้ รู้สึกว่าเรื่องเรื่องที่คิดในหัวน้อยลงน้อยลงกว่าแต่ก่อนคะ่ะที่แบบคิดด้วยเปื่อย อ, อะไรเงี้ยค่ะถ้ามันอยู่กํางานถ้าอยู่ตอนเรืงงานที่เราทำอยู่ค่ะอาจารย์แล้วก็ต้นเดือนต้นเดือนหน้าจะไปขึ้นเขาชีโอนคะ่ะไปอสองประมาณสองประมาณสามคืนคะ่ะเคยไปแล้วมาหรือยัง เคยแล้วค่ะพระอาจารย์เคยครั้งหนึ่งค่ะดีไหมดีตรงไหนดีมากเลยค่ะพระอาจารย์รู้สึกสงบวิเวกแล้วก็เหมือนได้ไ ด, ได้ได้ปฏิบัติทั้งวันถ้าไปอยู่ที่วัดก็ต้องปกติก็ต้องมีต้องไปสวดมนต์ต้องไปรวมกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือปฏิบัติเนน้นเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็อยากจะถามค่ะถ้า ครั้งนี้ค่ะถ้าอยากจะทดสอบความกลัวตายฝึกความกลัวตายอ่ะค่ะก็คือให้ลงมาเดินข้างล่างข้างล่างออกมาจะกน่าปกติเดินแถวบริเวณหน้าปกติครับทางเดินที่เดินเข้าเดินอนอกะครัค่ะพระอาจารย์หรือเดินเข้าถ้าเดินเข้าไปในป่าจะได้ไหมคะก็แล้วแต่เราว่าเราจะกล้าไหมก็ <S <S <S <S ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแตยังไม่กล้า เพราะหนูรู้สึกว่าถ้าเดินข้างล่างหนูไม่กลัวแน่นอนมาลองดูถ้าเดินในป่าได้ก็ดีถ้าเกิดความกลัวก็ปลอมไปเลยยอมตายไปเลยคือเดินแบบเดินเพวนาอย่างนี้เหรอคะพระอาจารย์แต่ว่าเดินเฉยๆก็เดินเพื่อที่จะไปทดสอบดูว่าจะตุ้นความกลัวขึ้นมาได้หรือเปล่า แต่ถ้าเดินในป่าคิดว่าอาจจะกลัวแบบกลัวพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขออะไรพวกเนี้ยค่ะทางก็นั่นแหละลก็เพื่อท้องกาให้เกิดทางกลัวขึ้นมาเนียแต่ว่าถ้าทางเดินก็ดูแล้วมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกกลัวอะไรค่ะลองเดินแบบปิดไฟมือแบบอย่าเปิดไฟนึือก็ได้ค่ะเดินแบบมืดๆไม่ต้องใช้ไฟได้ค่ะคะอาจารย์เดี๋ยวรอบนี้จะลองดูค่ะ แต่เพาคุณค่ะไม่มีำคำถามอืมอ่นค่ะใช่ค่ะคุณตาคุณนาเร่ตาหลวงพ่อค่ะเป็นยังไงไปไห น, น <ะ S 1> บา้างครวิาาชาคาบูชาอ๋อปฏิบัติเองที่บ้านค่ะหลวงพ่อแล้วก็แล้วก็ไปทำบุญอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อค่ะ ไม่ดีไม่มีปัญหาอะไรไม่มีค่ะหลวงพอ่อมีมีแต่ว่าพอปฏิบัติมาได้ช่วงหนึ่งอะ่ะมันเหมือนมันจะพาเราไปหมายหนูหมายถึงว่าหมายถึงว่ามันมีมีใจที่จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆทําเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่ อ, พอแล้วก็มีช่วงคืนนี้สาวค่ะหก็ปฏิคือต้องปฏิบัติแตมันมันเหมือนมันเยอะขึ้นนะคะหลวงพอ่อเยอะเยอะขึ้น ดึกดึกกับทุกวันอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็พอพิจารณาอะไรมันเหมือนข้างในหนูมันขาดแล้วมันโล่งแบบเหมือนมันเห็นว่าร่างกายเราอ่ะไม่มันไม่ใช่ของเรามันเป็นเป็นแค่ธาตเป็นอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วข้างในหนูมันขาดแบบขาดปืดแล้วมันโล่งมันคือข้างในมันสบายมากๆเหมือนมันหนูอธิบายไม่ถูกค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วใจมันก็ สบายสมาธิอยู่จนเกือบตีหนึ่งตีเกือบจะตีสองอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็อยู่กับเวทนาก็แทบจะไม่มีถึงมันจะมีมันข้ามมันสบายหมดทุกอย่างค่ะหลวงพ่อล้วก็ใจมันใจมันโล่งใจมันจ่อที่ที่จะพยายามเข้าไปอีกอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันเป็นสุขมันสบายมันเหมือนมันทิ้งมันวางอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็ยังเป็นการทํางานบ้าน ต้อไปเจอเหตุการณ์ถึงจะรู้ว่ามันมันทําได้จริงหรือไม่อันนี้มันอยที่ที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรมาอาจจะต้องไปเจอโรคไัแค่เจ็บเป็นโรคอะไรนี้เป็นอะไรขึ้นมานี้ดูว่าใจเราจะโรคยังเบาอยู่เหมือนเดิมหัือเปล่าค่ะพ่อพ่ตอนนี้ตอนนี้พ่อมีคือแม่ค่ะเขาก็เริ่มเหมือน โลกโน้นโลกนี้อะไรเงี้ยค่ะหลวงพอ่อหนูหนูก็พยายามเหมือนบอกว่าเออเป็นตรงไหนรักษาได้เขาก็เข้าใจว่าตรงไหนรักษาได้ก็รักษาดูแลไปเท่าที่จะได้อะไรเงี้ยค่ะหลวงพอ่อทั้งเดี๋ยวจะผ่าตาเดี๋ยวจะผ่าเข่าอะไรเงี้ยค่ะหลวงพอ่อ mm hmm. ก็คือใจก็เหมือนเราก็ไม่ได้ยังไม่ได้ทุกยังไม่เห็นเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆแต่ว่ามันก็วางวางไปได้ระดับหนึ่งค่ะหลวงพอ่อ mm hmm. ถ้า ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยก็คือจะไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่อแต่ตอนนี้ก็คือพยายามพยายามมองให้มันเป็นอนิจจังไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่อมันไม่เที่ยง<ม>อะไรจะเกิดก็เกิดอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่อแล้วเราก็อยู่พยายามอยู่กับปัจจุบันมีสติรู้ในปัจจุบันให้ได้เยอะที่สุดนะคะ<ม>แล้วแล้วทีเนี้ยช่วงที่หนูไปไปอยู่วัดหนูก็ไปเจอครูบาอาจารย์ท่านก็จะสอนหนูว่า เวลาปฏิบัติแล้วอ่ะให้เวลาไปเจอสภาวะอะไรแล้วเสร็จออกมาให้ให้กลับมาอยู่เหมือนคนปกติอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อให้มีสติในชีวิตประจํำวันทําไปเรื่อยๆเห็นซ้ํำๆอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อแล้วทีเนี้ยกําลังสมาธิกําลังสติอ่ะมันเพิ่มขึ้นหนูก็จะเห็นอาการที่มันแยกกันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเงนี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็เลย เหมือนหนูพยายามที่จะรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่อมันมันเกิดขึ้นบ่อยๆหนูก็พยายามทําซ้ําๆซ้ําๆแบบเนี้ยไปไเรื่อยๆอะค่ะหลวงพ่อไม่ต้องต้องดูจิตเรียนด้วยค่ะแล้วอยากแรงโรคเหลอือเปล่าดูาดูดข้างๆเหลือเปล่าค่ะค่ะหลวงพอ่อหนูก็พยายามเล็งมาที่ในใจหนูว่ามันเหลือตรงไหน บ้างอย่างเงี้ยค่านลวก็พิจารณาอยู่ค่ะคือทั้งค่ายก็เปิดตัวกิเลสค่ะหลง่อการปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสค่ะบางทีเราไปหลงดูอยู่นู่นดูนี่ไปเริ่ดูกิเลสไปค่ะหลวงพ่อยังหลวงอยู่หรือเปล่ายังหลวงยังเห็นว่าเราเป็นเป็นเราอยู่หรือเปล่ายังรู้ว่าเราเป็นแค่ธานุรู้ค่ะหลวงกำลังพยายาม ดูพยายามพิจารณาพยายามปฏิบัติดูค่ะหลวงพนอํากลายเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่แค่ดื่น้ํำลงไปอะไรค่ะมันมันมันก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราอ่ะค่ะหลวงพ่อมันเริ่มเริ่มที่มองเห็นเริ่มเริ่มที่จะพยายามจะเรียกว่าหนูพยายามที่จะปฏิบัติแล้วมันก็เหมือนเหมือนเห็นแสงเห็นทางมันเรื่อยกว่าเออมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยพยายามสอนสอนข้างในอ่ะค่ะค่ะ จะบอกให้เราเห็นกายเวทนาจิตไม่บ่าไม่ไปอย่างหนึ่งไม่ต้องไปสนใจค่ะเห็น<ะ>ในสามตัวนี้เห็นกายเวทนาจิตว่าเป็นตายารัก อ, อย่าไปยื่นอย่าไปติดใช่ไหมก็คือโดยรวมแล้วหนูก็เหมือนขยับในข้างในหนูอหนูว่าหนูขยับขึ้นไปอีกอีกค่ะยิ่งปฏิบตัติมันมันเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่ามันมันจะรู้ได้ตัวเองอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่ อ, อ ก็จะพยายามต่อไปค่ะหลวงพ่อนีออนทำกันทำไม่ก่อนทํากันมากยอนเดี๋ยววันดีนคืนดีมีข้อสอบก็มาก็จะรู้ว่าสอบผ่านแล้วสอบตกค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วแล้ววันวันวิสาขานูเห็นคนมาใส่ว่าหลวงพ่อหนูยังปลื้มเลยค่ะหลวงพ่อปลื้มแล้วก็เคารพศรัทธารักหลวงพ่อแบบมากมากมา ก, มากขึ้นนะคะหลวงพ่อเห็นแล้วแบบ ดีค่ะหลวงพ่อแล้วก็ที่ที่หลายคนที่บอกว่าหลวงพ่อเทศครึ่งชั่วโมงแล้วก็มานั่งสมาธิอหนูว่าหนูว่าดีค่ะเพราะว่าบางคนเขาอยากจะมีแรงบันดาลใจอยากจะมีครูบาอาจารย์ที่แบบว่าเหมือนนำพาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูว่ามีคนสนใจเยอะเยอะมากมากขึ้นด้วยอะค่ะค่ะแล้วแล้วก็เพื่อนนะคะเพื่อนหนูพี่หนึ่งอะที่ไปใส่บาทหลวงพ่อค่ะ แกก็มานั่งสมาธิตอนช่วงกลางวันเนี่ยหนูเห็นค่ะหลวงพ่อเริ่ ม, มชอบแล้วเนี่ยยัง ม, มีแต่วิธีนั่งนะใช่ค่ะ <c oughs> เห็นหลายคนมานั่งนะคะหลวงพ่อเหมือนใครว่างช่วงเช้าก็จะไปเช้าใครว่างช่วงเที่ยงอะไรเงี้ยก็มามเยอะค่ะมันจารย์พ่อเห็นว่ามันนิ่นั่งมาก่อนเรื่อยๆเห็นคนมันนิ่นั่งไปอยู่เ อ, อะรอรตาม หนูก็ไม่แน่ใจว่าเขาเห็นหเป่าเพราะว่าตอนที่หนูปฏิบัติหนูไม่ได้มองใครเลยค่ะหลวงพ่อเราก็หลับตาของเราทำงเราไปใช่ใช่ค่ะแล้วช่วงไม่มีคนหนูก็จะเดินเดินด้วยค่ะหลวงพ่อเดินเดินห้องในห้องพักที่ของบริสันตอะอยู่ชั้นสิบเจ็ดค่ะหลวงพ่อหนูก็จะเดินก่อนเดินเดินเสร็จแล้วก็ไปนั่งแล้วก็พอได้เวลาทํางานก็ลาหลบมาแล้วก็เสร็จเลิกงานกลับมาก็มาปฏิบัติก็จะเวียนเวียน อย่างนี้ยค่ะหลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้มีความสนใจเรื่องเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องนี้แล้วค่ะหลวงพ่อค่ะหนูขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงนะคะที่ไม่ตาสั่งสอนนะคะหลวงพ่อ<ค><ะ>ขอบพระคุณมากมากค่ะเราต้องขอบคุณญาติโยมที่เลี้ยงเลี้ยงดูเรามาเราก็ต้องใช้นี่หนือดีใจที่มาพบได้มาพบ ได้มาฟังคําสอนของหลวงพ่อด้วยค่ะหลวงพ่อญาโยไม่เลี้ยงเราเราไมอยู่ไม่ได้เขาเลี้ยงเราต้องตอบแทนมงตรย้อนก็ต้องตอบแทนหลวงพ่อด้วยก็ต้องพยายามปฏิบัติตามคําสอนหลวงพ่อด้วยอะค่ะหลวงพ่อญาโยมมีหน้าที่เลี้ยงพระพระก็มีหน้าที่สั่งสอนอยู่แต่งทาหน้าที่กันไปโอเคนะคขอบคุณค่ะสาธกค่ะ คุณสมิรินทร์แมรี่แลนด์ยป็นไงได้ไปวิสาขา์ได้ไปปฏิบัติทํามหรอืเอเปล่อ๋อหนูไปปฏิบัติ อ, อวันเสาร์อะคะ่ะแต่หนูไม่ได้ไปวันอาทิตย์อะคะ่ะวันอาทิตย์บ้านปฏิบัติเพราะว่าฟั ง, ฟ, งฟังคือเวลาของหนูเป็นเวลาที่พระอาจารย์กําลังถ่ายทอดสดของคุณหมอวีอ่ะคะ่ะมันเวลานั้นนะคะหนูก็เลยไม่ได้ไปหนูฟังแล้วก็หนูก็นั่งนั่งปฏิบัติธรรมตั้งแต่เช้าจนกระทั่ง ทั้งสิบโมงสิบเอ็ดโมงเช้าอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ก็เลยไม่ได้ไปที่วัดนะคะแต่ก็ปฏิบัติที่บ้านแทนค่ะค่ะเป็นไงดีไหมก็ก็ดีค่ะของของหนูนี้จะเป็นแบบโอนใช้โอนหนูไม่ต้องไปเพราะหนูรู้สึกว่าหนูไปแล้วจะเจอคุณมากอ่ะคะ่ะก็เลยไปไปอย่างนี้ดีกว่าค่ะค่ะพระอาจารย์แล้วก็อันนี้หนูก็ไม่มีคําถามอะไรค่ะก็เข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็มารับ อ่อมารับพลังงานดีๆค่ะพระอาจารย์เราฟังไปแต่ละคนก็มีอะไรเสนอเนี่ยแปลกๆกห้เราได้ฟังเป็นข้อคิดดีใช่ค่ะทบทุกครั้งที่ฟังก็จะได้ข้อคิดก็จะทําให้มันมีแรงบันดาลใจในการตักงตจปฏิบัติต่อต่อไปอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเคมีอะไรก็ไปต่อนะค่ะขอบคุณพระอาจารย์มากมานะคะขอบคุณเย่งมีรายพล ไม่ใช่คุณหญิงนะชื่อหญิงคุณหญิงเจ้าค่ะน้ อ, นองสาว <c oughs> คะ่ะแกลกพระอาจารย์เจ้าคะ่ะพระอาจารย์เขเออมีการบ้านมารายงานพระอาจารย์เจ้าค่ะพราจารช่วงหลังตั้งแต่โยมโยมแข็งแรงปกติมาตลอดแต่มีช่วงหลังนียคะโยมก็จะไอบ่อยแล้วไอก็ไอ <c oughs> หนักมากเลยพระอาจารย์แล้วก็เมื่อเมืม่อเมื่อวานโยมก็ไปนั่งสมาธิพอพ อ, พอตอนเช้าคะ่ะก็ตื่นไปนั่ง นั่งเดีวมันก็ไอเดีวมันก็ไอเดี๋ยวมันก็ไอเดี๋วิด่าอ๋ออย่างนี้ถ้าเกิดร่างกายเราเราแย่การทําสมาธิหญิงว่ามันลําบากมากหญิงก็เลยคิดว่าเออช่างมันอยากอยากไอก็ไอก็ปล่อยมันก็ก็ก็นั่งก็ก็นั่งต่อพระอาจารย์พราะเรานั่งต่อสักพักนึงอะค่ะดูดีมันก็รวมพอรวมมาพรวรวมมาก็ก็เป็นเหมือนเดิมพระอาจารย์หายเลมลมหายใจหายมันก็หายไปตั้งนานมากแล้วสักพักพระอาจารย์หญิงมีความรู้สึกว่า มันมันมันมีมันลมมันอยู่ในท้องเราพระอาจารย์มันเหมือนคล้ายๆกับว่าลมมันมันกดท้องเราอะพระอาจารย์มันกดท้องเราแน่นลมมันลมลมมันต้านอะพระอาจารย์มันก็ต้านไปตั้งนานสักพักนึงเอ่อโยมโยมก็ปล่อยโยมหนิงก็ดูดูดูมันเรื่อยๆไปอ่ะค่ะแต่ก็แปลกพระอาจารย์จากที่มันไออ่ะมันไม่ไอเลยค่ะพระอาจารย์มันก็นั่งสมาธิต่อได้เป็นชั่วโมงแล้วก็ สงบรวมแต่ว่าเราก็จะเห็นลมที่มันมันบิดเป็นเกลียวอยู่ในท้องเราอ่ะพระอาจารย์อย่างนี้เราเราดูยังไงอ่ะค่ะเราก็ดูเฉยเฉยไปอ่าใช่ค่ะดูเฉยไปมันจะเป็นยังไงเป็นไปใช่แต่มันไม่ไอเลยพระอาจารย์จับใช่จับ้ก็รู้ก็รู้ว่าไม่ไอาไปไม่ต้องไปสนใจว่าทําไมไม่ต้องไปทําไมกับอะไรใช่ค่ะรู้เฉเฉยไปรู้เป็นอย่างนี้รู้รู้ในปัจจุบันว่ากําลังกำลังไปอะไรอยู่ใช่ค่ะ แต่เราเราก็คือมองมองมองลมไปว่ามันกำลังเป็นแบบไหนหมุนยังไงมันกดแค่ไหนมันบีบแค่ไหนแล้วก็มองรู้กันไปแล้วก็แล้วก็ปล่อยใช่ไหมคะพระอาาร่อยอย่าประหยัอย่ากยให้มันเป็นอยา่างนั้นอยา่อยางนี้ อ่าค่ะแล้วถึง ก, ก็กลับมาดูดูลมล ม, มันก็ยังลมไม่มีพระอาจารย์มันก็เงียบมันก็เห็นอยู่อย่างนั้นนะพระอาจารย์แต่ว่าเราก็จะพักก็กลับมาสงบใหม่จะพักก็เห็นเห็นที่มันแน่นอยู่ในท้องอีกแล้วพระอาจารย์แต่ถึ ก, ก็ดมูมันปกติตแต่ว่ารู้ไ ป, ไปดูไปแต่ถึง ก, ก็เออทาไ ม, มพอพอเราถอนมาจากสมาธิดีจังเลยพระอาจารย์จากที่เราไอ น, นั่งเดีวก็ไอไอไออเยอะมากพระอาจารย์แต่ว่าพอเราเรารวมแล้วจิตสงบ ไอเราหายแต่เราเห็นลมที่มันเคลื่อนอยู่ในกายของเราเนี่ยค่ะพัจจัยค่ะอาการมันจะเกิดจากใจไม่เป็นปกติมันก็เลยทําให้ร่างกายผิดปกติไปได้อืมเหมือนกับเราเราไปอั้นไม่ให้มันไอออกมาอย่างนี้ป่ะคะพัจจัยไม่หมายถึงว่ามันอาจจะมีเหตุทางด้านจิตใจที่ทํำให้กระทบกับร่างกายทําให้เกิดอาการไอหลายงขึ้นมาพอเราฝึกสตินั่งสมาธิทําใจให้มันเป็นปกติ ลองเป็นปกติร่างกายที่มันไม่เป็นมันไม่เป็นปกติวัดใจก็กลายเป็นปกติไปก็ได้แต่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวิเคราะห์ลึกขนาดนั้นก็ได้ให้ดูว่ามันมันหายก็หายไปไม่สนใจถ้าหานิงก็ปล่อยไปแต่ว่าหนิงก็จะอยู่กับความสงบคือมันลมหายใจมันห้ยไปนานมากครับอาจารย์แล้วถ้าพะกคุณก็กลับมามันจะอยู่อย่างนี้ค่ะอาจารย์มันมันมันมันจะไม่เกิดสภาวะที่เราเคยเกิดที่ว่ามันดัก ทั้งหมดเหมือนกันเราอยู่ในถ้ำคนเดียวพวกมันก็ไม่เกิดแต่ว่ามันอยู่แค่ว่ามันอยู่แค่แค่แค่เงียบสงบแล้วลมหายอ่างนีแต่ว่าวิธีสงบมันมีหลายมันมีหลายลักษณะด้วยกันมันจะเป็นด้ต้องไม่ต้องรวมอย่างเดียวมันูวมแบบยังรับรู้อะไรต่างๆได้อยูสงบเฉยๆใช่สงบเฉยๆแต่ว่าทุกอย่างยังรับรู้ทุกอย่างอยู่ใช่ค่ะแล้วโยมก็ สงสัยว่าทําไมเรายังไม่สามารถแยกรูปกับ น, นามได้เราก็ยังเห็นว่าเราเป็นเราแต่โยมก็พยายามใช้ใช้ใช้จินตัดคือคิดก่อนนะคะว่าอ่านนี่คือรูปนี่คือนามเวทนาสัญญาสังขาอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ยังกลับมาว่าเราย่งเป็นเรายังแยกไม่ได้พระอาจารย์ยังไม่ต้องกลัวหร อ, อกนะถึงเวลาแล้วให้รู้ว่าไอ้ไอ้ไไไไกายไม่ใช่เราก่อนแล้วปล่อยวางใจให้ได้ก่แล้วค่ะ เมื่อน้องไปทำกับกายให้ได้ก่อนอ่าใช่ค่ะยมก็ปล่อยอยู่ตอนนี้กายจะเป็นจะตายก็ไม่ทุกกับมันให้ได้อะแล้วก็ใบที่เวทนาเวทนามันจะมันจะทุกข์เมือสุกก็ปล่อยมันทุกข์มันสุกไปมันไม่ใช่เราเราเป็นคนดูมันก็ดูมันไปเราต้องคิดอย่างนี้ตลอดใช่ไหมคะแล้วต้องคอมันนั้นเดี๋ยวมันถึงจะค่อยกลับมาดูที่จิตอีกทีถ้าเราดูจิตแล้วเราก็จะเละเริ่อเห็นเวลาเป็นตัวเราก็บอกนี่ไม่ใช่เรานี่เป็นสมมุติ คือต้องต้องใช้ความคิดไปก่อนใช่ไหมคะอ่าต้องสอนใจเจค่ะโยมก็กําลังปฏิบัติอยู่ทุกวันเจ้าคะ่ะ <c oughs> ก็กําลังคิดทุกวันนี้ตอนก็ปวดวันหลังก็ตื่นมากป็ปวดก็ปล่อยมันปวดไปอะไรโยมโยมก็ไม่มได้รู้สึกอตอนต้นเราเห็นร่าง ก, กายว่าไม่ใช่เราก่อนมันจะเป็นอะไรา ก, ก, าก็ปล่อยมันไปไปแล้วก็เห็นเวทนามันไม่ใช่เรามันจะเป็นากกายังไงก็ปล่อยมันไปไปแล้วต่อไปก็มาเห็นที่จิตจิตก็ไม่ใช่เรามันจะเป็นอะไงก็ปล่อยมันไปไปเจ้าค่ะพระเจ้า กลับขอบคุณเจ้าค่ะโยมกําลังเพียนปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะค่ะกลับขอบคุณพระอาจารย์นะคะพวกเราทุกคนในสุ่มโชคดีมากๆค่ะที่มีครูบาอาจารย์ได้มีพระอาจารย์เป็นที่พึ่งของพวกเราอะค่ะกลับขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะครัอบอาจารย์คุณมาริกาจะมาลาที่ว่าในคืนนี้พี่นะแม่ลูกไม่ได้ไม่ได้ออกมาไม่สบายหรือเปล่ากลับนมัตการเจ้าค่ะพระอาจารย์ ฝนตกค่ะพระาอาจารย์อฝ น, นะนตกแล้วก็มีมีฟ้าด้วยก็น่าจะฝนตกมากกว่าอาจจะไฟดับไปได้น ะ, น, น, ะนะคะพระอาจารย์แล้วก็ลูกนั้นจะต้องขึ้นเขาบนเสานี้แล้วค่ะพระอาจารย์อก็ก็เหมือ น, นว่าวันที่่ผมก็เป็นวันเกิดก็ถือว่าจะได้ไปปฏิบัติธรรมเพื่อตั้งพลังให้กับตัวเองนะค ะ, ะพระอาจารย์ตั้งพลังขึ้นมา ปัตาวิยาสติสมาธิปัญญาเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าในตลอดเวลาที่อยู่บ้านก็ทำแต่ว่าก็อนนั้นอ ะ, ะครับพระอาจารย์ก็ไม่ได้เต็มที่เหมือนกับที่คุณอาวสา พ, พูดนั่นแหละว่าแต่ก็ทำงานพอได้ทำงานเสร็จแล้วแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติก็จดบันนะครับ ร่วมลุกคลานไปแต่ว่าพังเมื่อไรเราไขึ้นเขาก็เหมือนกับว่าได้ไปชาร์จพลังตรงนี้นะคะพระอาจารย์ต้องไปเดินวอยต้องไปเ่อยเน้อไม่เนื้อไม่มีเงินไม่มีเงินจ่ายค่าค่าอยาเดินทางมันก็หลายตังค้วไปกลับเที่ยวหนึ่งเราเป็นหมื่นนะประมาณหมื่นหมื่นต้นต้นเที่ยวค่ะพระอาจารย์เที่ยวเหมือนกันนะไม่ไม่เล่นนะหมื่นต้นต้นแต่ก็ คุ้มนะคุมน้องๆที่อยู่ต่างประเทศเล้าก็บินมาปฏิบัติใช่ ย, ยมีชาวอินโดนีเซียมีมาแล้าก็จองไม่ยูนนน่น้องเขาเก่งมากเจอกันแล้วแล้วน้องเก่งมากแล้วก็น้องเขาเพิ่งกลับไปแล้วมาแล้วก็กลับไปแล้วกลับมามอันนี้แล้วพาแม่มาอันนี้จะมาคนเดียวครับผู้จัดโอเคมีมมอะไรไหม ไม่มีคำถามเจ้าค่ะอพระอาจารย์ค่ะาา <Okay. S 1> น้องรับฝังแล้วก็มาสร้างพลังอง่ <Yeah. S 1> <ร>าหมายถึงอ่าบปทีคนคนหนึ่งหายไปหลายหลายอาทิตย์เ ล, เลยตจ็บภากิจิตเยามนุมั ก, การค่ะพระอาจารย์ค่ะ mm hmm. แต่ก็ปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็ตอนเช้าก็เพิ่มจากเ อ, อ่อมงคลสูตร ทำวัดเช้านะคะมุคลสูตรแล้วก็ธรรมจักรแล้วก็อนันตนารักคณะสูตรส่วนบทแปรแล้วก็อาทิตยปริยายาสูตรค่ะได้เกี่ยวหมดแล้วเนีจะติดประธานสูตรอั่นเองนะเจ้าค่ะจติดประฐานสูตรยังยังไม่ไม่ไม่ยังไม่ถึงค่ะค่อยๆไปกะว่าช่วงนี้จะทําเอาตรงนี้ให้คล่องก่อนเจ้าค่ะพระอาจารย์นั่งแบบเปิดเปิดน้งซีรุ่ยจำ ไ, ได้ยังจําไม่ได้ค่ะเป็นการ สวดคำแปลภาษาไทยอะค่ะพระอาจารเราท่องจำให้ได้แล้วตามไปสวดนะต้องเปิยมาเสกินดวงเจ้าค่ะแล้สบายั่งสบายที่ไปสวดไปได้เจ้าค่ะแล้วไปนี่ปแบบนี่ใช้พุดโซนดูลงแล้วก็สวดด้กว่าสวดให้ใจเบาให้เย็นแล้วให้แบมาดูลงมาใช้พูดโซนเจ้าค่ะ พระอาจารย์คะขออนุญาตสอบถามคราวเมื่อกี้ที่พระอาจารย์อ่ได้ได้มีตอบคําถามคุณปุ้ยอะค่ะเรื่องที่ว่าบุญที่บอกว่าเอาบุญมาฝากอะค่ะคือบุญนี้คือก็คื อ, คอฝากฝากกันไม่ได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ทำไขเ <ใน S 1> ข<อ>าไม่นงนบุนั้นนะอย่างเงี้ยหรอคะ่ะรับสากได้พุทธการกที่พามาฝากพวกเราในนี้ไม่ต้องมามาปฏิบททัติให้ยังไมง แต่เขาชอบพูดกันว่าเอาบุญมาฝากเอาบุญมาฝากก็หลงกันไงหลงว่ามันให้คูดไปไม่รู้ภาษีภาษาไม่รู้ว่าบุญไปไนม่รู้ไปทไปไม่พูดอะไรกันบุญคือความสุกใจเอ็งใจมันฝากใครไม่ได้หรอกเขาทําเองถ้าอยากจะ้เอ็งใจสุกใจก็้อนั่งสมาธิหรือรักษาศีลหรือภาวะารือใจบาดอย่างเนี้ยมันก็จะกเป็นความสุกใจเอ็งใจขึ้นมา เ, เราละฝากงานไม่ได้นอกจากถ้าเป็นดวงวิญญาณก็แบ่งให้ไปได้นิดเดียวบุญที่บุญได้ถ้าทำทานใส่บาตรแล้วบุทิ่บุญให้คนตายได้ท่าหนึ่งอันนิดเดียวไม่มากเที่ยวเดียวของบุญที่เราได้มาแต่ถ้าคนเป็นไม่ไม่ได้เลยต้องให้เข้าไปทํากันเองอาจจะเหมือนเป็นแค่คําทักทายกันตามภาษาคนพูดมั้งคะว่า เออไปไทำบุญมานะเอบุญมาฝากอาสาทุกคนเขาพูเป็นทําเงินไปนั่นเป็นเป็นพิธีแต่ไม่ไม่ไม่มีสาระาประโยชน์ไม่ได้ทำความจริงแต่อย่างใดไม่ได้ไปไปช้อปปิงป้ง<ช>เอาไปซื้อทุเรียนมาอามาแบ่นกันเวลาลูกสองลูกเงนี้ค่ะอาจารย์บุญมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะบุญมันเป็ความสุขใจอิ่มใจแบ่ให้ใครได้หรือเปล่าแต่เราสาธุอนุมมทนาเราจะได้บุญกับเขาบ้างไหมคะอาจารย์นิดนึง หมายถึงคนที่คนที่ได้รับเขาได้รับบุญเลยไม่เหมือนเขาเอาบุญมาฝากคือเขาไปสร้างพระมาเอาบุญะนะเราก็กสน้างพรเราก็ยินดีไปแต่แล้วไม่ได้บุญของเขาเราเพียงแตไ ด, ได้ได้บุญจากการที่เรายินดีกับการที่เขาได้ได้บุญดีใจไปกับเขาตกไปกับเขาเป็นคนละบุญอกันภรรยากันเนจ้าคะ่ะงั้นมีคนมาบอกยอมว่า เวลาไปทําบุญน่ะถ้าเราเอาบุญไปฝากคนอื่นน่ะบุญเราจะลดน้อยลงอันนี้ก็ไม่ถูกอีกอ่ะไม่ถูกลดไม่ได้มันไม่ลดมันให้ฝากไม่ได้มันจะไปลดได้ไงค่ะเพราะเจอกันไม่ใหญ่พูดกันหนูก็ว่างั้นนะหูก็เอาบุญเจริงๆบุญไม่ใช่เป็นทุเรียนไม่ใช่เป็นผลผลิตแต่เนี่ยเราไปฝากแล้วลดลงด้วยใช่ค่ะค่ะอาจารย์โอเคเลยคับเข้าใจแล้วค่ะกล่าวขอบคุณค่ะควาะสุขใจ ค่ะถ้าขัานแข็งแรงนะเจ้าคะ่ะนี่อ่มันผลที่ผ่า น, รานเราฝากวนันเที่ยวสมใจมันมากว่าเชิญนะโอ้สาธุเลยคะ่ะถัง <laughs> ไม่ได้นะของกันของมันอัตตาเฮีตัโนนาเถ้าพระเจ้าจบอกเราต้องเป็นพูดกับทำเองค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุกจคะ่ะข้าพนองสัทธาเจรนตุลภานีาานเป็นยังไง มีบุญระฟังไหมมีบุญระฟังเพื่อนๆทั้งไหมเนี่ยฟางได้เลยเนี่ยแต่มาส ก, การด้านพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคไม่มีบุญราฝังเลยฝางไว้ได้ใช่ไ้ยฟางได้ฟังไม่ได้เจ้าค่ะไม่ได้ไม่ได้โอเคเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่เราคนเดียวนะ ท, ที่ที่คิดตรงนี้นะ โอเคอย่างหนึ่งค่ะคุณปัญญงจากออริกอนเรมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะทดนข้าวบนเอาบนกระสากด้ไหมกรากไม่ได้เจ้าค่ะกราบไม่ได้ะทาเองอิ่มเองเจ้าค่ะนั่งนะถูกต้องนะทานจิ้นพ่อนายังปฏิบัติเหมือนเดิมเจ้าค่ะหลวงพ่อโอเคทำจ่าไปนะเจ้าค่ะกราบนมัสการด้วยค่ะ อ่อดาวบันของคุณไพรโรดนะ i ย์ d ของคุณไพรโร ด, ดย้อมอยู่ที่ไหนอยู่ที่แมริแลนด์ค่ะพระอาจารย์แมร่แลน์อ่าบันเพื่องของคุณซาินทานะค่ะรู้จักน้องค่ะอ่ามีอะไรไหมไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์มากราบนมัสการพระอาจารย์และมารับฟังมาร่วมรับฟังทำมะด้วยค่ะใ <Okay, S 2> ครเข้า ม, มาด้วยยัง เคยเข้ามาแล้วค่ะอาจารย์เข้ามาเรารู้จักคนจีด้วยนะไม่รู้จักค่ะีไม่รู้จักค่ะีอยู่ไม่ไนดเจดสเบิร์กมั้โอเคไม่มีอะไรนะไม่มีคำถามค่ะอาจารย์จะไปที่คุณจีต่อเลยจีบก็จเจดิสเบิร์กเรเบิร์กใช่ค่ะการนมัสการค่ะอาจารย์ พระอาจารย์สบายดีนะเจ้าคะ่ะเมืม่อกี้พระอาจารย์<ม>ตอบคนนั้นไปแล้วเฝาคอยดูทหลัง<ม><ม>สบายดีม่ <S <S 2> <S 2> มีบุญมาฝากไหมไม่มีบุญคะ่ะเราจะขอบารมีบุญบารมีพระอาจารย์ช่วยอวยพรคือวันนี้วันเกิดโยมพอดีเป๊ะเลยค่ะพระอาจารย์อขอยอยมาเกิดไนงะดีที่ดการไม่เกิดดีท oh, ี่ดขอ่ขอโทษกับพอาจารย์ พอดีาาวันนี้จาายมเลวันนี้เพื่อนร่วมงานมาค่ะพอดีในบริษัทอะคะ่ะเขาจะมะีเขาจะมีแข่งอูโนโอเกมอูโนโอค่ะพระอาจารย์เดี mm ๋ยวโยมขอย้ายที่คุยดีกว่าโยมโยมไม่อยากใ้าขามาจริงๆแบบแป๊บนึงนะคะเอาเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่คะครับก็คือวันนี้วันเกิดโยมอะค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยจะขอพรไม่ไม่ไม่รู้จะขออะไรก็ขอให้ ขอให้โยมมีความเพียรในการปฏิบัติมากขึ้นละกันนะคะถ้าเกิก็นำแบบของพระเจ้าเ่ยพระเจ้าเกิดแล้วก็ตัดชั่ววูต่อแล้วก็นิพพานโอ้ต้องเป็นวันเดียวกันด้วยจากอีกสักร้อยร้อยชาติไม่พระเจ้าเกิดแล้ว29ปีก็บวชนะตัดชัสววู35ปีแล้วก็นิพพานอตอน80อ๋โอโยมโอเคตอนนี้โยม49 80ลบ49 ต้องบวชก่อนต้องบวชก่อนบวชแล้วบวแล้วก็ตัดสั้นลูกตัดสั้นลูกแล้วก็แค่นี้คะค่อยไปนิพพานไปนิพพานไปตายไปอยสาธุค่ะพระอาจารถ้าชาตินี้โงไม่ได้ก็ขอในชาตินาชาติไหนก็ได้ไาชาตินี้แล้วดชาตินี้ไม่ได้โอกาสที่จะเจลียได้ชาติต่อไปนี้ยากมากขึ้นเพราะเราจะมาเจอพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะอืม นันน่ะสิค่ะโยมก็พยายามไม่รู้ว่าเราจะอธิษฐานให้ได้มากเท่าไหร่วันอาทิตยทุกอย่างแล้วมาปฏิบัติดีกว่าถ้าอยากจะถ้าอย่ากจะไปนิทานก็เรียนซีนุทุกอย่างเงย่าทุค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวรอรอขอลูกคนเล็กอีกสักหน่อยนะคะติดตัวเล็กที่ร้องความใจมันไม่มันไม่ขอมันไม่รอเราเลยแม้นั่นนสิค่ะพระอาจารย์โยมแบบวอายุก็เพิ่มขึ้น ปฏิบัติเราไปทางไหนเนี่ยอายุไปทางนี้ปฏิบัติลองทางนี้ก็เดิมมัน ก, ก, ก็แบบ<ๆ>อายุไม่เดี๋ยวเพิ่มขึ้นปฏิบัติทำไมยังอยู่ตรงนี้เนะีจริงอายุมากยิงย่งเดี้ยเลี้ยงแรยิงน้อยลงนะใช่ค่ะใช่ค่ะพยายามแบบว่แบบแบบนาเออวันนั้นนั่งสมาธินั่งไปได้ถ้าไม่ความรู้สึกเหมือนเรานั่งนานแต่พอลืมตั้งมาอ้า ทำไมแค่เจ็ดนาทีเอ้ยไม่ใช่เท่าไรสิบกว่านาทีเองหรอทำไมทำไมเป็นแบบนี้ที่มันนานนานชั่วโมงมันนะเหนื่อยนั่งแบบโอ้เราแบบเก่งกล้าในในสมาธิน่ะว่าจะโอ้ยเก่งกล้าสามารถนิ่งมาเลยนี่ก็แบบโอ้ยชั่วโมงอย่างน้อยลืมกันว่าอ้าวสิบนาทีเองหรอ อโอ้ยผศอาจารย์มันปรุงแต่งไปได้นะฟเล่นเป็นเราฟิเล่นชอบเราใช่ค่ะใช่ค่ะมันเหมือนกับมันนิ่งแล้วมันสว่างแล้วก็นิง่งองคก็แบบโอเคเราเราถึงจุดโอเคละโอ้ยไม่ไหวเลยผศอาจารย์เคกกะโหลกเดี๋ยววัดเดี๋ยวเดือนคัรักก็ได้ยมจะไปเมืองไทยนะคะแม่ผศอาจารย์ช่วยเป่าเค้กะโหลกหน่อยเผือ่อ เกิดจะดีขึ้นค่ะพระอาจารย์ถ้าจาัด เ, เ, เอาธรรม ะ, ะเอาเอาธรรมะเป่าเปล่ากระโหลกให้เนี่ยถูฮะฮะกค่<ฮ>ะพร<ฮ>ะอาจารย์จะจ ะ, จะฝากคุณปางวรายนิดนึงนะคะคุณปางวรายที่ลูกไปอลสก้านะคะคือถ้าถ้าเพื่อนของจิ๊บอยู่ที่阿拉สก้าคนหนึ่งนะคะ่ะถ้ามีเพื่อนคนไทยนะคะถ้ามีอะไรให้ช่วยก็ก็ให้คุณปางวรายติดต่อไลน์หรือ facebook ก็ได้นะคะเดี๋ยวจิ๊บจิ๊บคอนเน็ให้กับ เพื่อนคนที่อยู่อลาสก้าอะค่ะถ้าเผื่อลูกเขาต้องการให้ช่วยอะไรนะคะค่ะค่ะค่ะแล้วก็พระจ้ารย์คะเรื่องบุญนะคะคําสามสุทธาร ะ, ะเรื่องบุญที่พูดกันถึงเมื่อกี้อะคะ่ะถ้าเราเอามาฝากกันไม่ได้แต่ถ้าเราแผ่ให้เหมือนกับเราแผ่ให้พ่อแม่เราอย่างเงี้ยเขาได้ไหมคะถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะ ไม่ได้เหมือนกันมันก็เหมือนฝ้าครับเือนเพือนเลยจะพูดจากฝ้าว่าเป็นแผ่เหมือนกันเหมือนกันอ๋อมันก็คือมันก็คือความหมายเดียวกันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันค่ะอุทีศให้คนตายได้แต่นิดเดียวแต่อุทิศให้คนตายได้อ๋อแต่นิดเดียวเสี้ยวเดียวหนึ่งหนึ่งในร้อยได้ร้อยหนึ่งทำร้อยหนึ่งส่งไปได้แค่บาทเดียวอ่าคือบุญใดก็แล้วแต่ทําเองจะดีที่สุดถูกไหมคะในขณะที่มีชีวิตถูกต้องค่ะ ไ, ได้เยอะจัง ม, ม, ม, มันก็มารอให้เขาเลยก็ส่งมาให้เราถ้าเราไม่มีกายสังขารแล้วสมมติถ้าเราไปเป็นเทวดานั่นคือเราไม่มีกายสังขารเราก็ต้องไปปฏิบัติโดยที่เราไม่มีคอ<ร>อนนั้ น, เ, นเขาก็ถ้าเราเป็นเทวดาก็แสดงว่าเรามีบุญนะถ้าเราเป็นเฟย์แสดงว่าเราไม่มีบุญอ๋อเจ้าค่ะแต่เราก็ไม่รู้อาน า, น, นาคตเราอีกก็เพราะฉะนั้นปัจจุบันก็ทําบุญทำกเต็มไว้ยไ<อ>ยกเยอะๆเต็มเสบียงไว้คือสมาธิ สมาธินี่มากกว่าทําทานไหมคะพระอาจารย์ อ, อ๋อบุญมันคนละอยาง อ, อันอ๋อค่ะค่ะมันคนลอยางแต่ว่าสมาธิ<ม>ทําให้เราเกิดปัญญาทําให้เราหลุดพ้นได้ใช่ไหมคไม่ในชะ่สมาธิทําให้เราเกิดโอเบกคาทําให้เรานิ่งเฉยได้ปลอยวางได้ออปัญญาสอนเราว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรไม่เป็นทุกข์ค่ะค่ะพระอาจารย์ก็ ไม่มีอะไรคะวันนี้วันเกิดพอดีอไปเลยก็ได้มา้ามากราบพระอาจารย์เป็นเป็นการนำวันเกิดที่ดีดพระอาจารย์ต้องเจ็บต้องตายนะ อ, อันนี้มันแก่ก่อนเกิดแล้วนะ <c oughs> เกิดแล้วแล้วต้องแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ต้องตายเจ <c oughs> <c oughs> ็บเนี่ยคะ่ะเจ็บใช่คะ่ะเจ็บแบบว่าโอ้ยค่ะต<ข>ายก็เตรียมตัวทำข้อสอบแบบนี้ให้ได้นะใช่ค่ะพระอาจารย์ต้องไม่ดูกอมเม เราไม่ทุกกับความเสียไม่ทุกกับความเจ็บไม่ทุกกับความตายนะสล้วค่ะสาธุครับพระอาจารย์ขอวารจานทร์ธาตุกันแข็งแรงนะเจ้าค่ ะ, ะกลับอขอบพระคุณสําหรับคําเตือนสติและอวยพรค่ะสาธุนะอ่าไปที่กลุอ่อภิสิทธิ์ไปคลนครไปคนที่แปลว่าอะไรนะไปกลนมาค อ, อโอ้เปลยไม่ได้ครับพระอาจารย์ไม่ไดไม่มีใครรู้นะ เดี๋ยวเราจะเราจะลองหาข้ามหมายดูก็เอ่อเ <g ül> <g ül> ข้ามาฟังธรรมแล้วก็เอ่อมาประมาณว่าเอ่อที่ฝึกภาวนาอยู่ก็เอ่อฝึกไปก็เห็นในความร้อนรอนของใจของตัวเองพระอาจ า, ารย์ปรวางลงก็ค่อยยังชั่วขึ้นหน่อย น, <า>นั่งได้นานนมากขึ้นไหมนมั่งได้นา น, นาขึ้นไหม เอ่อผมผมใช้เวลาเท่าเดิมครับพระอาจารย์เพียงแต่ว่าเอ่อความกระสับกระส่ายน้อยลงครับสบายขึ้นหน่อยครับพระอาจารย์พอภาวนาแล้วเห็นในความพินลนของใจครับเป็นพระอาจารย์ครับได้ได้ได้เห็นมากขึ้นครับแล้วก็เอ่อใช้สติพยายามใช้สติประคองประคองใจคงตัวเองเนี่ย อยู่กับขับบริกรรมพุธโธกับลมหายใจครับอาจารย์พยายามทําให้ใ จ, ใใจตัวเนี้ยมันประคอง ใ, ให้มันอยู่ตรงนั้นยางไม่ยางนะมันชอบหนีไปด้วยนะใช่ครับมไ่ชก็ตรงนี้นถ้าถ้าประคองที่ผมลองลองดูก็คืออไม่ใช่ว่าประคองได้ทั้งหมดนะพยายามประคองช่วงการทําในแต่ละครั้งอะ่ะพยายามประคองให้มันอย่า ใ, ใ, ให้มันคิดออกไปข้างนอก พปกติม er ันก mm ็วิ่งออกไปข้างนอกอยู่แล้วแต่มันไม่ไกลครับอาจารย์มันไปไม่ไกลมากใกล้ๆก็มั่นกันแต่ว่าอย่างนี้ครับอาจารย์มันมันเวลาเราประคองแล้วรู้สึกว่าเออมันมีความสุขขึ้นนิดนิดรู้สึกความสุขนิดนิดแต่ยังยังไม่เดิ้นไงมันไม่เดินมันสบายขึ้นครับดีพยายามทําันเร่อยๆต่อไปมันจะดิ้นเลยครับก็พยายามทําตรงนี้อยู่ครับอาจารย์ครับโอเค อาจารยระกาศวาเวลาใกล้จะหมดแล้วอ่าใบที่เป็นปู่แม่อ่าสองนทีปูป่แมนนกก่ขาดสมาานวกรรมขาดพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะชัดเจนจ้ะเจ้าขาดพระอาจารย์ของหนู ก, ก็ลุยอ่าอเดิมขาดพระอาจารย์ของดีก็คือได้ทำมาโอสถจากพระอาจารย์ใช่ไหมเจ้าคะมีการปฏิบัติทำแล้วก็ พระอาจารย์คะพอดีแต่ก่อนหนูป่วยเยอะอะค่ะแล้วก็มียาทานเยอะมากแต่ปัจจุบันยาแทบจะไม่ค่อยได้ทานนะคะพระอาจารย์เพราะว่าไ ม, ไม่จําเป็นใช่คะ่ะพระอาจารย์คือเหมือนแบบแพทย์ไม่ต้องเขียนออเดอร์ยาหรือไม่ได้สั่งยาเพิ่มอะไรเลยไ ม, ไม่ค่อยได้ทานจริงๆคะ่ะพระอาจารย์พอหนูผ่าตัดรอบที่สิบสุดท้ายนี่แหละคะ่ะตอนที่มุมปากกู้มุ ม, มปากพระอาจารย์คะ ก็คือหมอเขาจะเอากล้ามเนื้อที่ขาขึ้นมาไว้เพราะว่ากล้ามเนื้อบริเวณมุมปากมันตายอะค่ะพระอาจารย์ก็เลยเอากล้ามเนื้อที่ขาเปลี่ยนพื้นที่มาขึ้นมาตรงมุมปากพระอาจารย์อันนี้หนูเพิ่งเคยสัมผัสนะคะว่ามันเปลี่ยนพื้นที่มันกู้ขึ้นมาเหมือนเป็นดิกเท้าลกให้เราแบบกระตุ้น ได้ด้วยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยโอ้เพิ่งเคยเห็นค่ะพระอาจารย์เพียงแค่เปลี่ยนกล้ามเนื้อที่ขาขึ้นมาบริเวณมุงป่าค่ะค่ะพระอาจารย์มันฟื้นได้ด้วยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยได้แบบกําลังดูเนี่ยแหละค่ะมันเหมือนเป็นแบบจากเรากู้แล้วทีนี้หมอก็บอกว่าให้กัดฟันไปตลอดอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เหมือนกระตุ้นบ่อยๆเหมือนทํากายภาพอะค่ะพระอาจารย์แล้วทีนี้หนูก็เลย ใช่คะ่ะหนุก็เลยแบบพูดโฉมเหมือนพูดโฉมูดโฉใช่ไหมคะอยู่กับกับลมหายใจอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกกัดฟันหนูก็เลยอังนั้นก็อยู่กับตัวกล้ามเนื้อกระตุ้นไปเรื่อยอย่างเงี้ยคะ่ะพูดโทมพูดโฉมไปเรื่อยกัดฟันไปด้วยค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบได้ดูตัวเองหนูก็เลยแบบโ อ, อ้เพิ่งเคยเห็นว่ากล้ามเนื้อมันเป็นเหมือนทารกเกิดให ise, ม่อะค่ะเหมือนเปลี่ยนพื้นที่เฉยๆอะค่ะใช่ไม่เชื่อกับพื้นที่ใหม่ใช่ค่ะต้องเรียนรู้ใหม่ต้อเรียนรู้ใหม่ หนูกว่าหนูก็เลยว่ า, วาอู้ใช้ร่างกายให้คุ้มจริงๆค่ะอาจารย์ก็เลยได้อยู่กับอาจารย์หมอดูไปด้วยอะค่ะ <Okay. S 2> ก็เลยแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บร่างกายอยเงีค่ะก็เลยใช้ร่างกายให้คุ้มค่ะีใช้ร่างกายเพื่อดับกิเลสยุติการเกิดจกกเจ็บตายนะตุค okay, ่ะ <Okay. S 2> คอาจารย์สาธุค่ะสาธุจ้ะแล้ค่ะคุณหมอร่วงเรืองอ นักวาการครับพอาจารย์อ่ตองเรียนพอรครับก็เริ่มปฏิบัติครับพระอาจารย์แล้วก็เริ่มเริ่มปฏิบัติได้มากขึ้นนั่งสมาธิได้มากขึ้นครับแล้วผมก็สวดมนต์ทั้งวันเลยครับเวลาว่างก็สวดมนต์พยายามสวดมนต์นะครับวันได้หลายชั่วโมงแล้วพอตอนนี้พอเริ่มทาสมาธิเนี่ยก็เริ่มมีความสงบมากขึ้นได้หนานขึ้นครับพระอาจารย์อืมเพราะว่าเราทํามากสติทำดีขึ้นครับสติต่อเนื่องไม่เผลอ ยาทํไไ่ด้ครับร อ, อาจารย์ที่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ผมไปขากาบถามพระอาจารย์ว่าถูกเขากลั่นแกล้งะฮะวันนั้นพระอาจารย์คงจาได้ท่านบอกว่าไปล่อยไปเลยเราทําอะไรไม่ได้ได้แต่มองมันแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจดังนั้นครับผมก็เริ่มทําสมาธิปฏิบัติธรรมมากขึ้นมาตลอดครับดีขึ้นเยอะเลยครับอไม่ทุกข์กันนทุกข์น้อยลงทุกข์น้อยลงครับอมอยู่ในเรื่องนี้สิ่งต่างๆในโลกนี้เราก็คุมบางครั้งมันไม่ได้ครับสิ่งดีวที่เราคุมได้คือใจเรา ครับผมให้มันเน่งแล้วใจเราจะไม่เด่นน้อยครับแล้วก็เข้าใจเรื่องที่พระอาจารย์บอกเรื่องกฎแห่งกรรมกับกฎแห่งใจลักมากขึ้นมากเลยครับว่ากฎแห่งกรรมมันเป็นเรื่องของใจมันไม่ใช่รับยดสารเสริญครับมันมันอาไปวัดเป็นอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยเข้าใจชีวิตครับอือขอบคุณมากครับกลับขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับได้ได้ได้มาพบพระอาจารย์จริงๆผมเคยมาบวชแล้วก็ไปพบพระอาจารย์เมื่อเจ็ดปีที่แล้วครับ ก็ต่นน้อาจารย์ยังบอกว่าเออตั้งใจปฏิบัตินะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีแต่ผมก็เสียดาโอกาสที่ตอนนั้นก็พลาดไปครับอาจารย์แล้วก็ได้กลับมาอีกครั้งเนี่ยปีปีเนี้ยครับอาจารย์เนต้นปีครับแล้วก็ห<ช>้า <5 S 1> เดือนที่ผ่านมาชีวิตดีขึ้นเป็นคนละอย่างเลยครับมีความวสุข อ, อ, อีกแบบนึงครับยังไม่สายกันไปแล้วที่ว่านี่มีคุณหมออายุเจ็ดสิบมาบวชก็มีครับครัอาจารย์ก็ปฏิบัติอย่างเข้มข้นเลย เดินจนคนทั้งวันนะครับผมก็จะตั้งใจเจริญสติได้ทั้งวันและปฏิบัติสัมมาสติกับสัมมาสมาธิให้ได้ครับพระอาจารย์ตั้งแต่ตื่นมาที่พระอาจารย์บอกเลยครับอยู่ที่ความเพียรอยู่ที่ควาเนี่ยงนะครับกับกับนักวิชาการอาจารย์ขอพระอาจารย์แข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงจะได้ได้ให้สัมมาพวกผมไปเรื่อยๆครับอ่าเชิญครับ อิในไทยไม่สิทธิ์ยาหมดแล้วทีนี้นก็ลาไปที่คุณหลาต่อคุณหากราับนมัส ก, การคะ่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสี่คำถามจากทางเฟ e บ o o k พระอาจารย์แล้วก็เฟซบุ๊กคณะศิษย์พระอาจารย์เจ้าค่ะคำถามแรกกลับนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะจิตว่างกับจิตสงบแตกต่างกันอย่างไรจิตต้องสงบก่อนแล้วก็จะว่างดิฉันเข้าใจถูกไหมคะกราบขอบคนะุณนะ มันมาด้วยกันอะมันฝนกับความเย็นนี้ฝนตกมันก็เย็นใช่ไหมจิตสงบ ม, มันก็ว่างเพราะเวลาสงบ ม, มันก็ไม่คิดตุงแต่งเนี่ยมันได้ว่างจก็ว่างชั่วคราวว่างจากความโลภโกรนหลงชั่วคราวว่างจากความรักชังกลัวหลงคำถามต่อไปกลาบนมิสการพระอาจารย์ครับ การที่คนเราจะปฏิบัติธรรมโดยยังเป็นคารวาสอยู่เราสามารถข้ามเรื่องทานไปภาวนาได้เลยไหมครับเพราเวลาปฏิบัติก็ไม่ทําทานแต่ถ้าเวลาไหนยำเงินไปซื้อของเล่นของกรินของนิทานไปทําทานแต่ถ้าเราไม่อยากใช้เงินไปผิ ด, ผ, ดผิดวิธีก็ไม่ต้องทําทานก็ได้ถ้าเราเก็บไว้สำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรานั่งกายเราต้องมีปัจจัยสี่ เก็บไว้ใช้กับของจำเป็นก็ไม่ต้องไปทําทางแต่ถ้าจะไปซื้อของของหรู้หราซื้อกระเป๋าคุชชี่หรือซื้อหรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนี่ต้อเอาเงินเหล่านั้นไป ท, ทําบุญใช่ไหมครับปกาศกั้นกิเลสการทําทาง น, นี้เพื่อสกการประกาศกั้นกิเลสที่ยังเงินไปใช้ในในทางของกิเลสเราไม่ต้องการเอาเงินทองที่เราหามาแทบเป็นแทบตายนี้ไปเลี้ยงกิเลสเพราะกิเลสมันจะประกัดเราถ้าไปเลี้ยงมัน มันจคำา ถ, ถามต่อไปจากอาจารย์น้อยขอรบกวนถามหลวงพ่อครับผมมีจิตที่เป็นอกุศลมันคอยจะดีดขึ้นมาเวลาที่เราตั้งใจจะอธิษฐานหรือเวลากราบพระบางครั้งจิตที่มันเกิดขึ้นมาที่เป็นอกุศล น, นั้นจิตจริงๆไม่ได้คิด ถ้าเป็นลักษณะนี้จิต ท, ที่เป็นอกุศล น, นั้นจะทําให้เราได้อกุศลกรรมหรือไม่ครับผมขอความเมตตาจากท่านหลวงพ่อด้วยครับแล้วเราไม่ไปนสนใจไม่ไปทำตามความคิดนั้นก็ไม่ความคิดนั้นก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรมันคิดได้เพราะว่ามันเคยถูกคนเคยคิดอย่างนี้มาก่อนในอดีตแล้ก็ยังติดเป็นปนิสัยอยู่แต่ให้เรารู้ทันมันก็แล้วกันเราะว่ามันจะให้เราไปขโมยของเราไม่ไปทําไม่ได้ ออกไปมันก็จะไม่ขึ้นมาเองถ้าเราไม่ทําตามที่มันคิดตามไปความคิดเ่านั้นก็จะหายไปคําสุดท้ายจากคุณกนกวันถ้าเราไม่สบายจมูกตันสามารถกําหนดลมหายใจที่ช่องปากได้ไหมคะก็แล้วแต่เราเราต้องหายใจไม่ใช่เหรอหายใจเราจะดูลมตรงไหน เ, เปลี่ยนมาดู่ที่หน้าท้องก็ได้ใช้ยุบหนอพองหนอแทนก็ได้ถ้าเราจะดูลม แต่ถ้าเราไม่ดูลมเราเปลี่ยนมาเป็นพุโทโธก็ได้เปลี่ยนมากําหนดเป็นอาการสามสิบสองทึ่งหลักก็ได้มีกรรมฐานหลายอย่างในกันที่เราสามารถใช้เปลี่ยนได้แต่ถ้ า, าอยากใช้ลงก็ถ้าเราดูทางปากได้ก็ดูไปอันนี้ก็ไม่มีใครห้ามนถ้าดูไม่ได้จะไปดูที่หน้าท้องก็ได้ เ, เวลาเข้าก็ท้องก็พองเวลาออกท้องก็ยุบก็ยุบหนอ่อพอง โอเคนะหมดแล้วใช่ไหมท่นหลายคำถามถาหมดแล้วเจ้าค่ะก็หมดเวลานะพอดีสำหรับคืนนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำมาเสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิจารณาไปปฏิบัติได้ความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, งขึ้นไปเทอ